อาจารย์ครับการนอสการครับอาจารย์ครับเนื่องจาก<ช>ว่าสั ป, ปดาห์หน้าก็เข้าสู่ช่วงสงกรานต์ครับพวกเราโดยส่วนใหญ่ศาสนาศาสนิกชนก็จะไปทําบุญตัดบาตไปเสริมบา ร, รมีไปไหว้พระขอพรกันครับก็เลยจะขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาอสอนพวกเราในถึงวิธีการเสริมสร้างบุญบา ร, รมีครับอาจารย์ครับคือเราก็ต้องเข้าใจคําหมายของคําว่าบา ร, รมีครับ ก่อนที่เราจะเสริมบารมีได้เราก็ต้องรู้กนว่าบารมีมีอะไรบ้างบารมีตามหลักว่าตามคำสอนนี้เป็นคุณธรรมที่วิเศษที่จะนำพาผู้ที่มีบารมีนี้ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจเป็นหลักือสามารถนำพาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไป ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพรนิหพานราะฉะนนสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าบาลเมนนี้สิ่งที่เราจะต้องสร้างกันนี้มีอะไรบ้างคือบาลเมนี้มียี่สิบบาลเมนด้วยกันแต่บารเมนที่ต้องสร้างนี้มีหกบาลเมนส่วนอีกสี่บาลเมนนี้เป็นบาลเมนที่เรียกว่าเป็นบาลเมีสั้นที่สนับสนุน การสร้างบารมี6บารมีกานที่เราจะสร้าง6บารมีนี้ได้6บารมีนี้มีอะไรว่าเป็นก่อนคือ1เมตตาบารมี2ทานบารมี3ศีลแบบารมี4เนคขมะบารมี5อุเบกขาบารมีและ6ปัญญาบารมี นี่คือบารมีที่เราต้องสร้างกันถ้าเรายังมีไม่มากพอกเราก็ต้องตั้งเป้ามาที่การสร้างบารมีหกข้อนี้นการที่เราจะสามารถสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีบารมีสี่ที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างบารมีเหล่านี้เครื่องมือแรกที่เราต้องมีก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าอะไร จาหักธรรมนี่แปลว่าการตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่แปลว่าการขอให้มีบารมีแต่ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะสร้างบารมีเพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไปทําอย่างอื่นแทนแเราก็อาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่นเช่นอาจจะไปเป็นนายกไปเป็นผู้ว่าคอสมอซึ่งตอนนี้ก็าหาเสียงกันอยู่ อันนี้ก็เป็นการสร้างเป้าถ้าตัง้งเป้าให้กับการไปเป็นผู้ว่ารกรทมก็จะไป ล, งลง อ, รรองลองสลัเลือกตั้งไปหาเสียงกับตอนนี้อันนี้ยันข้อแรกที่เราต้องมีเครื่องมือก็คือเราต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการบารมีเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าตั้งแต่บัด น, นี้ไปเราจะสร้างบารมี นำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้สราบเช่นเมตตาบาลมีทางบาลมีสิ่บามีเพราะเมื่อเราตั้งแล้วเราก็จะได้มีการดำเนินการต่อนะการที่จะตั้งเป้าหมายแล้วไม่ให้ลงเหลวคือไม่ให้เปลี่ยนใจเวลาไปเจออุปสรรคไปเจออะไรก็ต้องมีสัจจะบาลมีสัจจะคือความจริงใจนะต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าหมายของเรา ตั้งว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ไม่ใช่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็ล้มเหลวฉั้นต้องมีสัจจะบารลรีเป็นข้อสนับสนุนสองข้อนี้มักจะไปเป็นคู่กันถ้าเรามักจะเคยได้ยินสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นองค์พระเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะภาวนานั่งอยู่ใต้คนต้นโพ น, นี้ไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอนขานจะสร้างบารมีต่างๆเช่นอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีให้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทําให้ความทุกข์ต่างๆนี้หมดไปจากจิตจากใจถ้ายังไม่สําเร็จก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอนขานที่ถ้าเาตั้งศัจจาวแบบนี้แล้วเนี่ยเวลา พอถึงเวลาเราก็ต้องดำเนินการคือตราต้องมีความเพียรบาลีวิริยะบาลีถ้าเกียรติค้านตั้งเล้วถึงเวลาแล้วก็ขี้เกียจไม่เปลี่ยนใจแต่ยังทําเรืออาจจะทําไม้มากทำํำน้อยทําพอไม่ให้เสียสัจจะทําพอหอมปากหอมคอมันก็จะไม่ได้สําเร็จผลเขาต้องต้องใช้ วิริยาบารามีเป็นเครื่องสนับสนุนอธิษฐานสัจจาบาลมีเช่นจะทําทานสมมุติตัวอย่างโนเบลจะมาใส่บาตรที่บ้านอําเภอเนี้ยอยู่กรุงเทพเนี้ยญาติโยมคนอยู่กรุงเทพแล้วก็ตั้งสัจจาที่ถานว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรที่บ้านอําเภอก็ต้องลุกแต่เช้าตีสามเนี้ยตีสามตีสี่เพื่อเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วขัวบรถมาเพราะ พอถึงที่นี่เก็เริ่มมีจบายกันตั้งแต่หกโมงเชา้างั้นถ้าตั้งน้ำมีสัจจะพอตื่นขึ้นมาตีสามนี่แต่ลาขี้เกียจไม่อยากจะขับรถเลยหรือฝนตกไม่สะดวกขี้เกียจไปถ้าเกิดความเกียดข้างขึ้นมาไม่มีความเพียรก็ไปไม่ได้แต่มันจะตั้งใจทั้งวันจะตื่นมาแล้วก็ อ, อ้าง ว, ว่าฝนตก มีเหตุผลอย่า ง, งอื่นมากก็ว่าไปก็าอาจจะไม่ไม่ทำความเพี่ยนไม่ขยันแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่ทําให้การทําตามที่เราต้องการนี้ยากยากเช่นก็ต้องมีอีกบาลามหนึ่งคือขันติบาลมีต้องมีความอดทนในการสร้างบารามีว่าบารามีนี้มันไม่ได้เป็นเหมือน ของง่ายๆบารมีแต่ละยางนี่มันเป็นของที่จะต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามทํายั้นต้องมีบารมีเหล่านี้ก่อนเป็นเครื่องมสี่บารมีนี้เป็นบารมีสนับสนุนพอเรามีบารมีเหล่านี้แล้วเราก็สามารถตั้งอธิษฐานสัจจะว่าต่อไปนี้จะจะบําเพ็ญหรือจะสร้างบารมี ข้อแรกก็คือเมตตาบาลีเมตตาบารลีนี้สร้างอย่างไรก็สร้างด้วยการมีสี่ลักษณะใ น, นกันสร้างด้วยการไม่จองเวรกันคือให้อภัยพระภัยอาทานเช่นเรามีคดีความกิดใครเราก็ยุยกเลิกไปไม่ไม่ฟ้องร้องเช่นเราอาจจะถ้าเราไม่ได้สร้างเมตตาบามีเราก็จะร้านแค้น เขาทำอะไรให้เราเสียหายเราก็จะฟ้องร้องเช่นทัพุช่วงนี้ฟอนน้องกันบ่อยเหลือกินว้องขับไปฟ้องกลับมานี่แสดงว่าขาดเมตตาบาลีถ้ามีความเมตตาแล้วก็ใครเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรกับปากของเขาเรื่องของเขาความจริงเราเป็นอะไรมันเกาเปลี่ยนไปไม่ได้จากการพูดของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ไปฟ้องกลับ ไ, ไปแไปไปไไปฟ้องหมิ่นประมาณนรืออะไร ไม่ไปเอาควา ม, มนั่ไปมีเรื่องมีราวกับใครอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบา ร, รมีแบบหนึ่งสร้างเมตตาบา ร, รมีแบบหนึ่งด้วยการให้อภัยหรือด้วยการกระทำที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้ไม่ไปทาให้ผู้อืเขาสียหายเดือดร้อนหรือไม่ไปกระทำร้ายน่างกายและจิตใจของผู้หรือให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเรามีข้าวมีของอะไร ที่เหลือกินเหลือใช้ก็อาจจะแบ่งให้กันแบ่งกันหลมไปให้บางที่มันเกิดเรามนคนซื้อเค้กมาให้ต้งองเยอะๆกินคนเดียวไม่หมดเนก็แบ่งให้เพื่อนหมู่ชาวบ้านคนข้างบ้านหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อืนนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะมีเมตตาบามีถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะมีอรนนิสงของเมตตาบาลี หลายประการเลยกันท่านแสดงไว้สิบข้อเลยกันแต่อาจจะจำไม่ได้ท้าที่จำได้ก็คือหนึ่งจะมีความสุขไม่ว่าจะตื่นไมื่อจะหลับสองเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายสามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาห้าจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆ เลยจะไม่ถูกพูดก็ทำร้ายก็ไม่ไปสร้างศัตรูให้กับใครเป็นมิตรกับทุกคนหกนี่ก็ถ้าเป็นภาวนาถ้าปฏิบัติธรรมจิตก็จะสงบง่ายแล้วเจ็ดถ้าเกิดถึงเวลาตายไปจิตก็จะไปถ้าไม่ไปสูงถึงขัน้นน่ผ่านก็ไปขั้นสุคติขั้นตํา เท่าที่จำได้น่ะอาจจะมีบางข้อที่นึ ก, นกไม่ถึงในตอนนี้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราแผ่เมตตาเจริญเมตตาบารมีเห็นตอนนี้เรามีเรื่องให้เราใครก็ยกโทษให้เขาไปไม่ไป้องรอง้งกันแล้วเวลาเราทำอะไรก็ระมัดระวังอย่าไปสร้างความเสียหายเด็อดร้อนให้กับผู้ถ้าจะมีก็ไปปรึกษาตับผู้ที่เข้าถูกกระทบฝันว่า ขออนุญาตอะไรนี้มีความจำเป็นถ้ามีอะไรเสียหายก็ยินดีที่จะเยียวยาให้อะไรก็พูดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมีความเมตตาหมือแม้แต่เจอกันก็เพียงแต่ทักทายกันทานสารทุกสุขยิ้มให้กันนี่ก็เป็นการเป็นการสร้างเมตตาบาลมนะีบาลมีข้อที่สองก็คือทานบาลมีก็คือการให้การแบ่งปัน สิ่งที่เราแบ่งปันไดน้ก็มีอยู่สามหรือสี่อย่างดวันหนึ่งวัตถุคือข้าของเงินทองต่างๆเราเรียกว่าวัตถุทานสอง 2. สิ่งที่เราแบ่งปันได้ก็คือวิชาความรู้อย่างเี่คุณหมอมาออก Channel d r นี่ก็มาแบ่งปันความรู้ทางทางการแพทย์เรียกว่าวิทยาทานโดยไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายไม่ได้ค่าใช้ใจ่ายค่าตอบแทนให้ฟรี อันนี้ก็เป็นวิทยาทานข้อสามก็คือให้ธรรมทานให้ธรรมะอย่างที่ตอนนี้เรามาทำกันมาคุยกันนี้ก็นอกจากวิทยาทานแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีธรรมทานมามาจากมาเสริมด้วยแล้วข้อสี่ก็อยู่ในเมตตาหมดเมตตาคืออภัยทานคือให้อภยัยไม่จองเวรอันนี้ก็คือลักษณะของการสร้างทานบรราลมีสร้างได้ด้วยสี่รูปแบบด้วยกัน แล้วแต่กำลังความสามารถของเราบางทีเราไม่มีวัตถุไม่มีข้าวของเงินถองแต่เรามีความรู้เราก็มาให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้หรือถ้าเรามีธรรมะเป็นพระเขาไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเลยก็มาให้ธรรมะผู้อื่หรือถ้าเราไม่มีอะไรเลยแต่เรามีเรื่องเวลาวกับใครล้วก็ให้อภยอัยเขาไม่จองเวรจองกรรไม่ฟ้องร้องกัน แล้วแล้วก็าล้ามันไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปนะนี่คือทานบารมีที่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราทํามากทําน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิริยะบาลมีแล้วขันติบาลมีบางทีเวลาจะทําทานตาข้าวนี่บางทีกิเลสมันมาขวางทางนลยเฮ้ยเอาไปใช้อ ย, อย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเามาทําทานทาไม เ, เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่พอใช้นะ ที่ก็ต้องฝืนต้องใช้ใช้ปัญญาใช้เหตุผลว่าเราจําเป็นจะต้องมีเท่าไหร่ก็มีเก็บได้แถ้ามันเกินความจําเป็นเราก็อย่าไปเก็บมัเอามาทำทานมาสร้างบา ร, รมีกันศีลก็เหมือนกันศีลบา ร, รมีก็เราก็ต้องศึกษาว่าแล้วศีลมีอะไรบ้างมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 10, ่บเจ็ด ก็ดูกำลังของเราว่าเราจะรักษาสินได้กี่ข้อเบื้องต้นสินห้าได้ไหรือไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกระเวณีไม่พูดปดไม่เด็ดชั้ลายามาถ้าสินห้าไม่ได้ลองเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนได้ไหมไม่เด็ดชั้ราได้ไหมไม่พูดปดได้ไหมแล้วแต่ที่ทำได้อาจจะไม่ต้องเอาทีเดียวครบห้าข้อ อาจจะไม่ต้องทำเอาทีเดียวให้มันทุกวันอาจจะวันพระเอาเริ่มต้นที่วันพระก่อนวันพระนี้ก็มารักษาสีนันสักวันหนึงก็ต้องมีความตั้งใจมีอธิษฐานมีศักดิ์เ้าต่อไปนี้ทุกวันพระจะรักษาสีหน้าให้ได้และถ้าได้แล้วต่อไปอาจจะเพิ่มวันเพิ่มเป็นสองวันต่อทิศสามวันต่อทิศจนกระทั่งสามารถรักษาได้ทุกวันก็มาขยับ รักษาสินแปดเพิ่มในวันพะหม่อีกรอบทุกวันพระเขาจะเริ่มถือสินแปดลเว้นจากการนอกจากสินห้าแล้วก็เพิ่มไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันแต่แล้วไม่ไม่ไม่ดูไม่ฟังเรื่องบันเทิงต่างๆไม่ร้องนำทำเพลงไม่หาความสุขจากการการมาคุณห้า่งรูปเสียงจิตลดผลธรรมา ทั้งของผู้และของตนเองก็คือร่างกายของตนกต็ไม่เสริมความงามไม่เสริมไม่แต่งหน้าทาปากไม่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดทั้งแต่งแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่นอนบนที่นั่งที่นอนที่ที่มโหราชคือที่ที่ที่สบายนั่นเองสมัยนี้เราจะเห็นว่าก้อนะยาขายเตียงใหญ่หญเตียงนอน นอนแล้วหลับทักผ่อนได้เป็นหลายชั่วโมงนือที่นั่งนอนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆ่าให้สบายเวลามันสบายแล้วมันจะทำให้ขี้เกียจมันจะชอบนั่งชอบนอนกันนถ้าเราต่อการตื้อสินแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เรามาเจริญเมเจริญเจริญบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งคือเรียกว่าอเบคาบา ร, รมี ที่เกิดจากการฝึกสตินั่งสมาธิการเจอินแปนี่ก็เป็นบาลานีข้อหนึ่งเรียกว่าเนคข ม, มาบรบาลานีคือการออกจากการกามาสุกการการยุติการหาสแสวงหาการมาสุกศินแปนี้เป็นตัวหเช่นศินข้อสาของศินห้าก็ต้ามาเปลี่ยนเป็นพรหมจารคือจะไม่มีการล่วงหลับนอดกับใคร สินห้านี่ยอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่คอรองของตนได้แต่พอถือเย็นแปดแล้วต้องนอนคนละห้องถ้าเป็นสามีภรรยาไม่ให้รับความสุขจากการเสด็จกลางไม่ว่าจะเ ป, เป็นเรื่องของร่วมหลับนอนกันใเรื่องการรับประทานอาหารก็ไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานพอยังดูร่างกายได้แล้วก็ไม่ให้ดูพวกบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไป ถ้านอนบนฟูกนะนะเตียงใหญ่ๆมันสบายร่างกายบางคลีมพักผ่อนตื่ขึ้นมาแล้วแต่นใจรู้สึกสบายก็ยังอยากจะาาพักา่สนจากการนอนต่อยังให้นอนบนที่นอนแข็งๆัวด้วยเสื่อด้วยผ้าเพราะมันจะไม่สบายแต่ก็พอใช้ในการพักผ่อนหลับนอนได้เพราะร่างกายได้พักผ่อนแล้วมันก็จะตืน่นขึ้นมา อ, อตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายนี่เรียกว่าเป็นการเจริญเนตขมมะบารมีเมื่อตอนเราเจริญศินบาลมีก่อนศินห้าพอได้สินห้าแล้วเราก็มาหเจริญศินแปดซึ่งเป็นการเจริญเนตขมมะบารมีต่อการระงับการสวหงหาการมาสุขนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาสันติสุขโดยการปฏิบัติจิต ให้เป็นสบายที่ให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่ก็เป็นบารมีเพราะว่าอุเบกขานี่จะทำให้จิตใจต้านอารมณ์ต่างๆได้จะไม่มีความรับช่างกลัวหรอเกิดขึ้นถ้ามีอุเบกขาอยู่ในใจเวลาสัมผัสรับรู้ว่าจารศักดิ์แบบว่ารู้ไม่รักไม่ช่างใครชมก็ไม่ยินดีใครด่าก็ไม่เสียใจ ฟังเฉยๆได้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นี่คือเป้าหมายของการเจริญอุเบกขาบารมีแต่อุเบกขาบารมีที่ได้จากการเจริญสติสมาธินี้มันเป็นอุเบกขาชั่วคราวจะมีเกิดขึ้นขณะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในสมาธิพอถอนออกมาจากสมาธิอุเบกขาก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น ถ้าไปิดไว้ในตู้เย็นน้ำก็จะเย็นตลอดเวลา แ, ลแต่พอเราเอาน้ำเย็นออกมาตั้งไว้ข้างหน้าสักระยะหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไปวิปเบคขาก็คือความเย็นของใจนก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธินี้ใจจะเย็นจะสบายมีความสุขไม่รู้สึกหิวโหยกับอะไรแต่พอออกจากสมาธิมาจิต น, นั่งคิดปูงแต่งนั่งสัมผัสนับรูลกับรูบ่นเสียงเกียรติ กิเลสตัณหาตัวที่ทําให้ใจร้อนกระโเผกขึ้นมามาทําลายมาทําลายอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิไปทําให้ใจร้อนขึ้นมาใจไม่มีความสุขเริ่มมีอารมณ์รักชังโกอธปรากฏขึ้นเพั้นถ้าอยากจะรักษาอุเบกขานี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิก็ต้องเจริญบารีกตัวหนึ่งคือปัญญาบารมี ปัญญาบาลามีนี่จะสอนใช้ใจให้เห็นโทษของสิท่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราก็คือรูปเสีเยงกลิ่นรสรลือดาบชสารเสริญต่างๆนี่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนเดินไปตลอดมันเปลี่ยนได้ของนเบขามาใหม่ๆมันดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆสักปามันก็เสียได้ หรือหายไปได้พอมันเสียหรือมันหายไปมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี้ไม่ว่าจะเป็นการมารฐาเพระมารฐานาหรือเวปาฐณหานี้ล้วนเป็นใจรักทั้งสิ่งที่เราอยากไดก้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถถือว่าเป็นของเราไปได้ตลอด วันใดวันหนึ่งมันก็จะกลายเปนของคนอื่นไปหรือจากออกไปพอเป็นจากไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะรักษาใจของเราให้เฉยไม่ให้หิวกับสิ่งต่างๆก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักหรือการเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นตาลรักก็จะทําให้ใจเราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆพอหยุดความอยากสิ่งต่างๆได้อุเบกขาที่จะถูกทําลายก็คงอยู่ต่อไป ให้ความสุขแบบสันติสุขให้เรามีความสุขแบบความสงบของใจรักษาความสงบของใจด้วยปัญญาและอันนี้มันจะเป็นความสงบอย่างถาวรไม่เหมือนความสงบที่ได้จากสติพอจากสมาธิมามันก็เสื่อมหมดไปต้องเจริญสติใหม่ต้องพุโทโธพุโธก็องนั่งสมาธิใหม่ถึงจะได้ใหม่ขามาแต่ถ้าเรา ได้เบรคขาแล้วพอออกมาเราใช้ปัญญาคอยปกป้องรักษาทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราสามารถํารับความอยากได้ด้วยการเห็นโทษของความอยากเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันจะทําให้เราต้องเสียใจต้องทุกข์ใจต่อไปเพราะเขาไม่เที่ยงเขาจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดมันไม่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้เบรคขาก็จะอยู่ต่อไปได้ จนเมนอุเบกขาที่สมบูรณ์บริบูรจิต ท, ที่มีอุเบกขาที่สมบูรณ์บริบูรณตลอดเวลาก็เรียกวิภานิพานนี่เพระบาส จ, จากความนักชังโกโมธหรือบาสจากอิเลกตนาความโน้มความอยาต่างๆจิตก็เป็นนิพานขึ้นมาด้วยอำนาจของบารมีทั้งสิท์ที่เราได้กล่าวถึงนีนนนะ่พอจะเข้าใจไหถ้ากัดตับกรุกข้องออยากจะถามก็เชิญถามได้ อาจารย์ครับก็ฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจครับอย่างนี้ก็ผิดคาดกับบุคคลทั่วไปเลยครับอาจารย์เพราะว่าช่วงสงการคนจะไปขอพรไปขอเสริมบารมีกันอย่างนี้ไม่ใช่เลยการได<ช>้บารมีเราต้องทําเองหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ขอพรได้อย่างเดียวคือขอธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นพรและบุญเสริมไปขอฟังไปฟังธรรมกันไปศึกษาธรรมแล้วก็จะได้ยินได้ฟังวิธีเสริมบารมีต่างๆถ้าขอได้ก็ไม่ต้องมาปฏิบัติกันให้เหนื่อยยากไม่ต้องมานั่งคุยธรรมะกัน แไปขอจากพกระพุทธเจ้าขออนิพนานอะครพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ขอจากพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีบารมีสิทก็ขอบารมีสิทให้แก่ข้พาพเจ้าด้วยเถิดก็ผมจะน้อมนําไปศึกษาและปฏิบัติ ต, ต่อไปครับอาจารย์ครับ <c oughs> ชัดเจนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะข อ, อการถามคำ ถ, ถามจากเพื่อนๆบ้าง น, นะครับจากคุณสมพรครับน้อม กาปุชฌาพระอาจารย์วันสงกรารเราใช้ธรรมะใดในวันสงกรารอย่างไรน้องกลาบสาธุครับวันสงการก็เป็นวันกระเพรนธรรมเนียรที่เราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อตวนันพระปรุษของเราผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาถ้าท่านยังมีชีวิจิวอนุญาตายาแล้วก็ไปคนน้ำขอพรจากท่านซื้อข้าวซื้อของไปฝากท่านไปให้กับท่านมีข้าวของเงินท่าอะไรก็ ให้กับท่านเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีว่าเราสำนึกในพระครุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาที่ให้กำเนิดเรามาทําให้ชีวิตเรานี้อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะพราะคุณของท่านเองแต่ถ้าท่านล่วงรับไปแล้วเราก็ไปทำบุญที่วัดอุทิศบุญ น, นี้ให้กับท่านไปทําบุญใส่บาตรอุทิศบุญอุสรให้กับบรนพชน บางท่านก็อาจจะไปที่วัดอาจจะเป็นที่เก็บปติทิเข้าไปที่เก็บปฏิทิแล้วก็เอาดอกไม้ทูตเทียนไปบูชาแล้วก็ทําบุญใส่บาตรทุกที่บุญทําทั้งสองอย่างคืออวิสบูชาและปฏิบัติบูชาอวิสบูชาก็บูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูตเทียนปฏิบัติบูชาก็ทําบุญทานทานทุกที่ส่วนอย่านี้ให้ท่านไป อันนี้เป็นธรรมเนียมหลักของทางของชาวไทยชาวพุทธเราในวันสงการเพื่อแสดงความกตัญญูกับเเรงชีเดี๋ยววันสงการผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปใส่บาตอาจารย์แล้วันก็ต้องมีอธิษฐานเนีตั้งใจงตั้งใ จ, งงจงไว้แล้จะมีสัจจะแล้วจะเปลี่ยนใจด้วยคปล่า <laughs> เกี๋ยวใครมาชวนให้ไปเที่ยวที่ มีฤทธิ์สอนดีให้ไปพักไม่งานเฉยใจขึ้นมาก็ได้นะถ้าไม่มีสัจจะทพูดนั้นนะผุณมอพูดนั่นนะพูดแล้วเขาบอกก็ตั้งใจไว้เรียบร้อยครับถ้าไม่มีเหตุที่สุดวิสัยจริงๆนี่ไปทำสุดวิสัยไว้เพืนออะไรบัอ๋อที่คําถามจากน้องหมูครับพอาจารย์ครับมีโยมฝากคําถามมาครับเรียนปรึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมข้อที่หนึ่งการบริกรรมพุทโธนั้นคือการอบรมสติใช่ไหมครับ ใช่การเจริญเรียนพุทธานุสติไงนอกจากการบริกรรมพุทโธแล้วจะสวดบทอิปิพิโสก็ได้เพียงแต่ว่าสวดให้มากมากไม่ใช่สวดแค่หนึ่งจบแล้วก็หยุดต้องสวดไปทั้งวันสวดตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เกิดสติเพราะสติมันไม่ได้ได้จากการสวดหรือบริกรรมแบบสั้นๆมันต้องต้องสวดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจิตไม่ลอยไปคิดเรื่อ ง, งถึงจะได้สติขึ้นมา พอที่สองแทนที่จะบริกา ร, รพุโทโธจะใช้เป็นประโยคว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายจะได้ไหมครับได้แทนที้จะไม่เป็นจะจะเป็นมรณานุสติแทนให้เราเลงนถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็ได้แต่ไม่ได้คิดผลเดียวนะต้องคิดไปทั้งวันเลยนะมันเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะทําทให้จิตมีสติให้นำนั้นความคิดปรุงแต่ จากคุณสมพรครับการปฏิบัติตัวในวันสงกรานต์อย่างไรจึงจะเหมาะในทางธรรมครับก็เมื่อกี้ถามคำถามนี้เราใช้ไม่เลวกันก็เป็นแสดงความประตับยิ้ประับเวทีต่อวิดาณบรรดาบุพการ์ในส่วนของที่เกี่ยวข้องเราพูดสำหรับตัวเองก็ไปอยู่วัดได้ก็ดีหยุดหลายวันห้าวันเจ็ดวันก็ไปถึงสิ่งแต่ไปฝึกไปเจริญเนคขมานบารมีครับไปเจริญอเบคาบารมี ด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็พิจารณาธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมวาวะธรรมทาั้งปวงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นรเราเป็นของเราอันนี้เป็นวิธีการเหมาะที่สุดในทางธรรมก็คือไปปฏิบัติทานสิงฆภาวนาที่วัดเมือ ท, ที่เป็นสถานที่เหมาะต่อการปฏิบัติ จากพ่สมพร อ, อีกนะครับวันสงกรารมีในสมัยพุทธกาลไหมครับหากมีในสมัยพุทธกาลมีแนวปฏิบัติทธำธรรเช่นไรในวันสงกรารครับไม่อสมัยสงการมันเกิดนในประเทศไทยชาวไทยเราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็อาศัยคําสอนของพระเจ้ามาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายในการที่เราจะได้มาสร้างสิ่งที่ดีคือบาปให้กับต เ, เรา ในการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาคุณนิดครับไม่ชอบสวดมนต์เยอะชอบนั่งสมาธิมากกว่าคิดแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะเพราะไม่ผิดอะไม่ไม่ชอบสวดนี้แต่คะแนนว่าไม่ไม่ชอบคิดต้องไม่ชอบสวดมนต์ต้องไม่ชอบคิดด้วยนะถ้าไม่สวดมนต์แต่ชอบคิดก็ไม่ดีนะต้องไม่ชอบคิดชอบนั่งเฉยๆนั่งแล้วทำใจให้ในในสงบปราศจากความคิดบุ๋มแต่ แต่การนั่งสมาธินี่ถ้าไม่มีอะไรกับกลับใจไม่มีสติกับกลับใจมันจะนั่งแล้วไม่สงบมันจะไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้าจะกลายเป็นวิปราดไปได้อย่างกานั่งสมาธิต้องมีสติขํากับใจคับกลับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกามพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าไม่ชอบสวยก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแต่อย่านั่งเฉย นั่งเฉยๆแล้วจิตจะผลิตโมโนภาพอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกจิตได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาต้องระวังเวลานั่งต้องมีสติคอยกำกับใจไม่ให้หลงตามกับมโนภาพด้วยสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่นคุณนิตยาครับการได้ทำบุญร่วมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะคค ก, มก็ะแล้วแต่เราจะพูดอะ ถ้าเราทําร่วมกันก็มีสองอย่างนัดกันไว้ก่อนนเอไปทําบุญเนี่ยพาคุณพ่อไปทําหรือถ้าไม่ได้นัดด้วยกันไปเจอกันที่วัดอย่นี้เขาเรียกว่าบาังเอิญหรือไม่าบังเอิญเราก็ไม่รู้หรอแต่เขาบ้งจะพูดว่าบังเอิญใช่ไหมเช่นเราไปทําบุญที่วัดแล้วคุณพ่อก็ไปทําบุญที่วัดโดยที่ไม่นด้นัดหมายกันมาก่อนเขาเรียกว่าไปการบังเอิญก็ได้เหมือนกับพระสาวกของพระเจ้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโลก ที่มารวมตัวกันกเข้าพบพระเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมา ก, ก่อนอันนี้จะเรียกว่าเป็นการบังเอิญหรือเปล่าใช่ไห ม, มแต่มีมีศัพท์มีธรรมะอยู่คำที่เขาพูดกันว่าในธรรมะนี้ไม่มีอะไรบังเอิญอันนี้ก็บอกพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มีเหตุทาให้เกิดไม่ใช่มีการบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเกิดจากเหตุทั้งนั้น เป็นแต่เราเราจะสาวไปนั้เหตุ น, นั้นได้นั่าเปล่ว่าเป็นอะไรทั้งนี้เหตุที่เราจะสารได้ง่าสาวได้ง่ายที่สุดก็คือการมาเกิด <c oughs> การมันเกิดนี่ทําให้เราได้มาเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเจออยู่ในขณะนี้นถ้าเราไม่มาเกิดสักอยาก่างเราคงจะไม่มาเจอกันใช่ไหมถึงจะว่าไม่บังเอิญเขาไม่ใช่บังเอิญสิ่งที่สุด้ายเรามาเจอกันในวันนี้ก็เพราะการมาเกิดของเราในโลกน คุณสิริครับกับนักักการพระอาจารย์ค่ะอยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างในความหมายของบุญกับบารามีจากคํากล่าวที่ว่าทําบุญกับบุคคลต่างระดับก็ได้ผลบุญที่ต่างกันเช่นทําบุญกับพระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากกว่าทําบุญช่วยเหลือสัตว์แต่หากทำบุญกับสัตว์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อการสละกิเลสออกขอโดยแท้เมื่อนั้นจะเกิดบารามีด้วยถูกต้องหรือไม่คะกับนักนักการเจ้าค่ะคือบุญกับบารามีนี่ก็ตัวเดียวกัน แต่ว่าเราบุญแปลว่าความสักใจบรารมีก็คือทำที่จะทําให้เกิดความสักใจขึ้นมางั้นจะเรียกว่าบรารมีเป็นเหตุก็ได้มีเหมือนเมื่อมีบรารมีก็จะมีความสักใจก็จะมันเกิดบุญขึ้นมางั้นที่เรื่องของการทําบนการทําบนด้วยการสร้างบรารมีนี้เช่นที่เราพูดถึงตอนนี้คําถามนี่คือเรื่องทานบรารมีเรื่องการให้ทาน การให้ทานนี่เราต้องเข้าใจว่ามีมีผลนับได้สองสองประการด้วยกันคือผลที่เกิดจากในใจของเราที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันว่จาจังเราเสียสละเงินน้อยบาทให้ขอทานไปเนื่อให้กับผ้าอะไรย่างไปผลนี่เท่ากันเพราะมีการเสียสละคือความสุขใจอิ่ใจที่เกิดจากการเสียสละเงินก้อนนี้ไปนี้ได้เท่ากันไม่ว่าใครเป็นผู้รับไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอิ่มใจมากน้อยอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละถ้าเราเสียสละสองร้อยบาทเนี่ยความรู้สึกอิ่มใจมันจะมากกว่าการเสียสละร้อยบาทอันนี้เดีย๋ยวพูดถึงผลอันแรกนะที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราที่เกิดจากการเสียสละแบงปัดถ้าอยากจะมีความสุขใจมากอิ่มใจมากก็ทําให้มากถ้าให้น้อยมันก็รู้สึก อิ่ใจน้อยสุขใจน้อยไม่เชื่อลองทําดูสิลองลองทำดูทําอย่างนี้แล้วก็มาทำสิทเท่าของอย่างนี้ดูแล้วจะรู้สึกว่าจิตใจจะรู้สึกทันทีเพราะมันเป็นการชนะความตนันหน่ชนะความโมชนะความโลภอยากได้เงินอันนี้มันจะทําให้พอเราชนะได้ไอความตัวที่มันทําให้ใจเราไม่มีความสุขก็จะถูกทําลายไปเวลาเราเกิดความตันหนีนี้มันไม่สบายใจในชะ่ไหม เกิดความหวงเกิดความโลภ อ, อย่างนั้นมันไม่ทําให้เราสบายใจพเราชนะมันได้ด้วยการทําทานด้วยการเสียสละเงินทองไปนี่มันจะทําทให้ความรู้สึกไม่สบายใจนี่หายไปแล้ทําทให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจขึ้นมาโอ้เราสามารถทําได้อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจของผู้ให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้รับเป็นใครไม่สําคัญได้ทั้งนั้น จะได้ความรู้สึกคล้ายๆกันเป็นได้ความอิมจฉาสนใจที่เกิดจากการเสียสละแต่การให้ทานนี้มันมีอ น, นิสงส์อีกครั้งหนึ่งในงประโยชน์ในการที่เราจะได้รับที่เราจะได้รับจากผู้รับเนี่ยผู้รับนี้เขาก็จะมีสิ่งตอบแทนให้กับเราได้ถ้าเราทําบุญกับเขาแล้วเรามีโอกาสได้สนทนากับเขานั้นเองต้องสนทนากันหรือฝั่งเอาพูดเนี่ยถ้าเราไป ทำบุญกับพระเนี่ยนะถ้าเราไม่ฟังอะไรใส่บาเสร็จก็กลับบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราก็จะได้เพียงส่วนเดียวจะไม่ได้สิ่งที่เราจะได้จากพระเพราะสิ่งที่พระจะให้เราก็ได้ก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ซึ่งพระแต่และรูปก็มีธรรมะคําสอนต่างระดับกันเหมือนกับครูอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาก็มี ความรู้ไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางคนก็สอนได้ในระดับปฐมบางคนก็ระดับมัธยมบางคนก็ระดับปริญญาอันนี้ก็อยู่กับความรู้ของผู้ที่สอนเราให้ความรู้กับเราก็เช่นเดียวกันกับการทําบุญแต่พระสงฆ์ในพระสงฆ์นี้ก็มีหลายระดับมีตั้งแต่พระสงฆ์ที่เป็นผุตุชนธรรมดาคือมีความแข็งขันในการรักษาศีล หรืออาจจะฝึกสมาธิทำใจให้สงบท่านก็จะมีความรู้ในระดับสี่สมาธิแต่ถ้าไปทำบุญกับพระอริยะคือพระโสดาบั น, นท่านก็จะมีความรู้สูงขึ้นไปอีกระดับเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มีสี่ระดับระดับโสดาบันก็จะสามารถทำให้เราละสังโยชน์ได้สามข้อถ้ามีระดับที่สองก็จะทำให้เราทาให้สังโยชน์ข้อที่4ข้อที่ห้าบอกบา แ้วถ้าเราได้คุยกับพระขั้นที่สาพระอนาคามีนท่านก็จะสอนให้เราละสังโยชน์ได้ทั้งห้าข้อนแล้วถ้าเราไปคุยกับพระอรหันต์ได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์ท่านก็จะสามารถสอนให้เราละสังโยชน์ได้ทั้งสิบข้อนี่คือความต่างกับที่เราจะได้รับจากพระหรือผู้ที่เราไปทปําบุญด้วยถ้ามาทําบุญกับคุณหมอก็คุยเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม คนที้ม า, าคุณหมอเนี่ยก็จะมาคยุยแต่เรื่องโรคภายไข้เจ็บถ้าไปคยุยกับใครก็ตามที่เขาไม่ความรู้อะไรเขาก็จะพวดเรื่องที่เขารู้ใว้เราแบ่งปันความรู้ให้กับเราอันนี้เกือประโยชน์ที่เราจะได้นับส่วนที่สองซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราไปทําบุญทำทานด้วยไปทำบุนที่โรงพยาบาลก็จะได้ฟังเรื่องโรคภายไค่เจ็บ ไปทำบุญเรื่องไปทําบุญที่โรงเรียนก็จะได้ยินเรื่องวิชาความรู้ต่างๆที่เขานํานมาเผยแผ่สัสอนไปทําบุญที่วัดไปทําบุญกับพระก็จะได้ยินเรื่องธรรมะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทําทานอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ต่าอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้ที่เราไปทําบุญด้วยว่าเขามีอะไรจะให้เราถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องอไเปเฝ้าไปที่พระพุทธเจ้ า, าเลย ว่าเราจะได้ได้ธรรมะที่ง่ายนักถึงใจเราเพราะพระพุทธเจ้าอ่านใจเราได้รู้ว่าเรากาลังติดอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจอะไรอะรพระเจ้าเนี่มีความสามารถที่จะเอาธรรมะมาแจากแจงให้ได้อย่างตรงเป่งยถ้าเป็นเหมือนหมอก็หมอที่รู้ว่าคนไข้ที่ต้องการยาชนิดไหนกินไปเม็ดเดียวก็เริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นทันทีอันนี้เราก็ต้องไปหาคนที่เก่งที่สุดที่เราต้องการธรรมะ คนที่เก่งที่สุดในพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระหลานตัสสัมมาสัมพุทธเจ้ารอมองค์กามก็คือพระปเจกับพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่สอนใครพระปเจกเราก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาที่ผ้าหลานสาวของพระพุทธเจ้านอกจากผ้าหลานก็คือพระอนาคามีพระาสกิดาคามีและผ้าสมาด็จตามแบบคนหลานนี้ก็จะให้ความรู้ตาม การฐานะของท่านตามระดับที่ท่านให้บังลุกให้สูงกว่านั้นไม่ได้อสุนนาปัญจะความรู้ของท่านระดับ่ระดับพระอนาคามีไม่ได้พรอานาคามีแจาา้งความรู้ระดับพระอรหัานต์ไม่ได้นี่คือส่วนที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราออไปทําบุญด้วยคือความรู้ต่างๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมและสอนนาธรรมกับท่านหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของการทําบุญ อาจารย์ครับผมขอโอกาสผมถามต่อยนิดนะครับแล้วอย่างสมมุติผมทําบุญกับพระที่ผมไม่รู้จักกับผมทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยปริมาณเท่านี่เท่ากันเนี่ยทําไมผมถึงรู้สึกมีความอิ่มใจมากกว่าเมื่อทำกับพระอาจารย์เนี่ยครับแล้วผมอิ่มใจมากกว่านี้ผมได้บุญมากกว่าไหมครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับของแถมคือเหมือนกินอาหารที่ถูกปากกับกินอาหารที่ไม่ถูกปากก็ยิ่งเหมือนกันใช่ไหม แต่ความรู้สึกว่าอ๋อกินอาหารที่ถูกปากแล้วมันมีความสุขขึ้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นอนหแต่ก็กินอาหารเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันเช่นสมมติว่าคุณบมอไปจะร้านอาหารที่ไ ม, ไม่ไม่อร่อยแต่มันไมก็จะไปกินที่ไหนก็คงกินกินเพื่อดับความหิวแตม่มันมันรู้สึกมีความปิติมีความสมดุลการรับประทานก็เช่นเดียวกับการทำบุญทำทานเราก็ต้องเลือกทำถ้าเราอยากจะได้ทั้งสองอย่ย ได้ทั้ความดับความหิวคือได้ความอิ่มใจสุขใจแต่ถ้าอยากจะได้ความปิติความรู้สึกดี อ, อกดีใจก็ต้องเลือกาอาหารที่เราชอบเลือกอาหารชนิดที่เราชอบก็ต้องเลือกทาบุญกับชนิดที่เราชอบท่านคนเราจึงทําบุญไม่เหมือนกันบางคนชอบใส่บาตรบางคนชอบทําบุญกับคนยากจนคนเขาก็อยากจะทําบุญกับโรงพยาบาล ทำบุญกับโรงเรียนปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายถ่ายชีวิตวัวควายมันแล้วแต่ความประทับใจเนี่ยที่เขาได้รับจากการทำหรือเารื่องมั น, ม, นมันอาจจะเป็นเรื่องของที่มันเป็นเรื่องของของนิสัยที่เขาเคยทำมาในอวในชาติติดมากับใจครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับจากคุณเดอะมัลติยู มัลติเวอร์ชวูนิตี้ครับกราวนพิธีกรครับขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีละอายัตนะภายในและหน้าที่ต่ออายัตนะภายในสำหรับพระอาหารหันต์ที่ยั ง, งทรงธาตุขันธ์อยู่ครับคืออายัตนะคือมีสองชนิดภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นและถั่วตพา อ, อายัตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเมื่อท่านศ อ, อายตนะมามามาม า, มาสัมผัสกัน ก็จะเกิดเกิดเวทนาขึ้นมานนีอตาเห็นรูปก็จะเกิดเวทนาเวทนาสามชนิดคือสุขทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับรูปที่เห็นว่าเป็นรูปชนิดไหนรูปที่ชอบก็เกิดสุขขึ้นมารูปที่เกลียดก็เกิดทุกข์ขึ้นมารูปที่เป็นกลางคือไม่เกลียดไม่ไม่ชอบก็จะเกิดเวทนากลางกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา แต่สำหรัาพอาหารนี้ท่านได้ฝึกหัดจิตใจสอนจิตใจไม่ให้มีปฏิกิริยากับรูปเสียงกลิ่นรสต่ตางๆถึงหน้าญาตนาท่านจะเห็นรูปท่านก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพาราะนั้นฝึกด้วยสติด้วยปัญญาจนทาําให้จิตของท่านเป็นเบงคาตลอดเวลาในาพอาหารนี้ท่านก็จะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสทางตาของจมูกตินกาย ไม่เหมือนกับผู้ทุกชนอย่างพวกเราที่พอได้สัมผัสกับรูงเสียงกิกรกรกงนรวดแต่ว่าเราจะเกิดความรักชาขึ้นมาเกิดเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาทันทีจากนั้นนี้การปฏิบัตินี้ก็เพื่อทำให้จิตของเรานี้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้ด้วยให้รูเ้เฉยๆไม่ทุกข์กับอะไรไม่ยินดีกับอะไร คุณทัศนีครับการสวดมนต์อยู่บ้านและที่วัดที่มีคนเยอะได้บุญเหมือนกันไหมคะและการไปสวดมนต์ในสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ได้ล้างป่าช้าดีหรือไม่สมควรไปหรือไม่คะคือต้องดูผลนะการสวดมนต์ก็ไ้่ไมีสติเพื่อทําใจให้สมมงบเพรนถ้าเราสวดที่บ้านแล้วใจสงบกว่าไปสวดที่วัดแล้วก็สวดที่บ้านดีกว่าส่วนป่าช้าจะล้างป่าชา้าด้วเคยล้างมันไม่ไปไม่ใช่เป็นตะเ็นที่เกี่ยวข้องกับการการสวดมนต์เพื่อทําใจให้สงบ อยู่ที่ว่าดูพิจารณาดูว่าเวลาเราสวดที่ไหนแล้วมันทําให้ใจเราสงบมากกว่าที่นั่นก็แสดงว่าที่ที่ที่เราเลือกนี้ดีกว่าแล้วต้องดูผลที่เกิดจากการสวดว่าที่ไหนทําให้เราใจเราสงบง่ายและอยู่ได้สงบได้นานก็ที่นั่นเป็นที่ที่ดีที่สุดคุณเสาวนีครับ การนั่งฟังธรรมะในทุกๆวันถือเป็นการสร้างบุญบา ร, รมีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่นี่ว่าปัญญาบา ร, รมีมันเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญานี้มีสามขั้นด้วยค่ะขั้นสุดะนี่คปัญญาคือปัญญาความรู้ที่ได้จากเกิดจากการได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาปัญญาขั้นซึ่ ง, งเราจะใช้เป็นบัตรเป็ น, เ ป, นเป็นการสร้างปัญญาเริ่มต้นก่อพอเราได้ฟังได้ทำแล้วเราต้องเอามาค่อยๆวนอยู่เรื่อย ก็จะได้ไม่หลงเลยอันที่เรียกว่าปัญญาขั้นที่สอเรียกว่าจิตตาไม่ลปัญญาถ้าเมื่อเราไม่หลองไม่เลือแล้วถ้าเราอยากจะเอามาใช้ในการระ ง, งับกิเลสปัญหาเราก็าต้องมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาในใจเพราะถ้าขาดอุเบกขาถึงแม้จะรู้ว่าเป็นตานะยร้ายก็ยังระ ง, งับความอยากไม่ได้เอามาภาวนาะเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาสมาถนะภาวนาล้วปัญญาที่ได้าจาก จินตามียะปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนาไมยะปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จญญาเป็นปัญญาที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หือสามารถระงับดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสได้อย่างร้อยเอย่างถาวรเริ่มต้นก็ต้องอาศัยปัญญาเบ่้งต้นครับปัญญาคือสุดตาไมยปัญญาเป็นการทำธรรมนี่ซึ่งก็เปลี่ยนเหมือนกับการปลูกต้นไม้เริ่มต้นเราต้องมอาแม่หลง ฝังดินก่อนเอาฝังดินแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องทำรูบำรุงด้วยการก่อยน่อ น, น้ำวนดินงนี้เลยแล้วพอต้นไม้โตขึ้นมาต้อ ง, ต, องต้องคอยป้องกันว่าจ ะ, ะสิ่งที่จะมาทำลาย ว, าว่าจะพืชตา่งางๆหรือแมลงต่างๆเป็นกว่าต้นไมาจะก่อกงงามออกน อ, อกอขึ้นมาอันนี้ก็แบบเดียวกันปัญญาที่มีสามระดับนี่การทานี้เป็นการ เริ่มต้นในการปลุกฝังความรู้ไว้ในใจครับขั้น ท, ที่สามก็ตํองหมั่นให้ควรพิจนาอยู่เ น, นียเพื่อรักษาให้มันแม่ไม่ให้หลงแม่นเลยขั้นที่สามก็คือต้องทําใจให้มีอุเบกขาเพื่อเราจะได้เอาความรู้ที่เราได้จากจิตตมัจจาปัญญามาดับกิเลสได้มาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจได้เรียกว่าเป็นภาวนาปัญญา คุณจิรพรครับขอสอบถามทําไมบางทีเวลาสวดมนต์จึงมีอาการขนลุกทุกครั้งคะมันก็เป็นปฏิกิริยาของจิตใจว่าต่อสิ่งบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางคนเห็นดาราขึ้นนาก็ขนลุกได้บางคนเห็นโถคนตะลี่รางวัลที่หนึ่งก็ขนลุกได้แล้วมันเป็นเรื่องปฏิกิริยาของจิตใจนถ้าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เที่ยงไม่ต้องไปขังวลเลมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันไม่เป็นพิษเป็นภัย จากคุณสมพรครับโยมได้นำธรรมะของพระอาจารย์ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขใจมีความสงบมากขึ้นมีสติมากขึ้นแต่สมาธิยังติดลบน้อมกราบคําแนะนําของพระอาจารย์เรื่องสมาธิครับก็จะพยายามทําให้บ่อยๆทําให้มากขึ้นนะเนี่ยเวลานั่งหล่าตาแล้วก็พูดโชว์ไปรม่ดูหายใจไปเอบาบังคับตัวนี้ถ้าไม่บังคับมันจะไม่ค่อยทำต้องกําหนดตารางไว้เรียกอธิษฐานตั้งเป้าต้องอธิษฐาน ต่อไปนี้วันหนึ่งเราจะนั่งกี่ข้งกี่ชั่วโมงเวลาไหนตั้งตั้งตั้งเวลาไว้เลยพอถึงเวลาก็ต้องทำให้ได้มีสัจฌ์นั่นก็มีความเพียรพยายามอย่างนี้ น, นั่งลาบากนั่งนั้นจิตยังไม่สงบยพยายามพุดโธรไปพยายามดูลมไปอดทนไปจะเจ็ดก็ไม่ยอมรุบอะไรอย่างนี้แ้วเดี๋ยวมันก็จะได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผม ตื่นเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งครับอาจารย์มานั่งสมาธิตอนเช้าครับอ่าดีอันนี้ต้องมีอธิษฐานก่อนใช่ไหมต้อมีความตั้งใจมายืยืดดูจะทําได้กี่วันเน <laughs> ี่ยรอดูขึ้นเขาพยายามรักษาวไว้ก่อนครับ <Okay. S 2> คุณภาคเหนือภาคอีสานครับการนวัตกรรมพระอาจารย์ครับเวลาเราจะสอนวิชาสังคมพระพุทธศาสนากับเด็กออทิสติกที่ห้องการศึกษาพิเศษโรงเรียนอุบานนครราชสีมา ควรสอนธรรมะเด็กพิเศษเรื่องไหนมากที่สุดครับควรให้เขามีสติก่อนเด็กคนนี้เขาขาดสติกาถ้าไม่มีสติสอนยังไงก็เข้าไม่เขา้าไม่เข้าไปในหัวก่อนเพราะในใจเขาคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้เวลาที่เราสอนครับเน้นต้องสอนเรื่องสติเช่นเอาให้เข้ามาหัดทําอะไรเช่นให้เข้าม า, าหัดทํามีของเล่นที่ก็าเลยต้องใช้ใช้สติทำเช่นก่อนนู่นก่อนนี่หรือทําอะไรที่ต้องอาศัยการใช้สติ เราฝึกให้เขามีสติก่อนแล้วทีก็ดูว่าเขาตอบสนองเวลาเราพูดอะไรเขาเข้าใจหรือเปล่าถึงจะสามารถสอนทำว่าได้ถ้าเขาไม่ตอบสนองพูดไปแล้วเข้าหูใายออกหูขาเขาไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรสอนไปก็เหน่ยนะครัเราต้องสอนให้เขามีสติกด้วยการฝึกให้เขาทำอะไรที่ต้องใช้สติมากๆเช่นเล่นแบบคอร์ดเล่นแบบลุกเล่ ตอบตัวตุกตาหรืออะไรทำอะไรทุกอย่างที่ต้องอาศัยการมีสติขึ้นมาให้เราสามารถอยู่เฉยๆให้ได้ก่อนเดี๋ยวก่อที่เสร็จน ม, มันบางเทีก็เห็นะถ้ามีขา่านี่ยอยู่ดีๆก็วิ่งออกไปเห็นรถพ่อมารับก็วิ่งออกไปครูก็กลัวว่ามันข้ามถนนครูจะเจ็บตัวแทนที่ที่ไหนนะที่นครสวรรค์หรือที่ไหนนะถ้าพื้นที่เป็นข่าวเร็วๆนี่ เด็ลอทิสติกก็เป็นอย่างนี้เขาจะเขจะถูกอารมณ์ที่มีในใจเขาชุดลากไปเพราะก็ไม่มีสติยับยังเพราะเนื่องอยากจะวี่ขึ้นมาก็วี่ขึ้นมาเนื่องอยากจะทํำอะไรก็ทำไปเห็นไหมเด็กพวกนี้เด็ที่มีพิการทางสมองนี่ความจริงไม่ได้ไม่ได้พิการทางทางสมองทางร่างกาย พ, พิการทางทางสติกันนะมันเรื่อฝึกสติกักน สวนที ALLY, êmes, enroll, learn, ่สอนเด็กพิเศษนี่เขาต้องจะมีกิจกรรมสอนเด็กให้มีสติไงแล้วเด็กก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาจากที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะรู้เรื่องครูบอกให้ลุกร็ลุกครูบอกให้เดินก็เดินครูบอกให้ยืนก็ยืนบอกให้ทำอะไรก็ทําะไรอันนี้เป็นการฝึกสติในเบื้องต้นกับ คุณปียบุตรครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับอย่างเราเป็นลูกเวลาทําบุญให้พ่อแม่ที่เสียไปท่านจะได้รับบุญที่เราทําให้ไหมครับแล้วหากเราไม่มีทายาทหรือลูกไว้สืบบุญต่อเราจะวางใจหรือคิดอย่างไรจึงจะดีที่สุดสําหรับตัวเราครับคือค่อนตายไปลานี่เราไม่รู้ <c oughs> หรอกว่าเขาจะอยู่ในฐานะไหนอยู่ ข, ขึ้นอยู่กับบุญบาป ท, ที่เขาทาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ถ้าเขาทําบุญมากมากมากว่าบาปเนี่ยเขาก็จะมีบุญติดตัวไปไปเป็นเทวดา เขาก็ไม่ต้องมีการอาศัยบุญของเราส่งไปแต่ถ้าเขาไปทําบุญน้อยทําบาปมากกว่าเขาอาจจะไปเป็นเปรตเปรตก็คือผู้ที่ทํำบาปด้วยความโลภอยากได้เั้นได้ทําได้เข้าได้ของก็เลยเขาโมยได้กับเข้าโมยโกงได้กับโกงอะไรต่างๆนี้ก็อย่าทำให้เขานี่อไปเป็นเปรตไปเป็นโยมิญญาที่หิวโหย พวกนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะรับส่วนบุญที่เราส่งไปให้เขาได้เพราะเขอที่ามาโลภยังหิวอยากได้บุญอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรตก็ก็บุญที่เราส่งไปก็จะไปไม่ถึงเขาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่นี้เป็นบุญที่เราคนทําเนี่แหละจะได้เองเพราะเราต่อไปแล้วเราก็จะต้องตายเหมือนกัน เราก็ตงคิดว่าถ้าตายไปเราอยากถ้าเราไม่อยากเป็นเปรตต้เรียบธบุญเยอะๆทำบุญแล้วก็ อ, อกุชินบุญได้ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนทำก็ได้คนที่รับ อ, อกุชินบุญก็ได้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่เขารับรับอยู่งั้นเราถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วก็ทำเผื่อไว้เท่านี้ทำเป็นเป็นทำเป็นนิสยัยทำเป็นประเพณีไปแต่คนที่รัรับอยู่นี่เขาจะรับรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพของเขา มีคำถามเรื่องไม่มีทายาทไว้สืบบุญต่อไหครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเรื่เราถ้าเราทำบุญของเราแล้วเราก็ไม่ทำละสายตาญาติเราก็มีบุติดตัวไปถ้าเราทายาทถ้าเกิดทายาทมันไม่ชอบทําบุญเราจะทำะไงมีเยอะแยะนะที่พ่อแม่ตายไปแล้วนี่ไม่ทําบุญอะไรก็มีคุณเดลุนีิทูนครับ การใส่บาตโดยที่เราไม่ได้ไปใสบาตรเองโอนเงินแล้วฝากพี่เอที่คุณหมอแนะนําทําอาหารใส่บาตแทนเราจะได้บุญไหมคะ <g ul ain> ได้ได้เหมือนกันขาดเพียงอย่างเดียวก็คือการเพียงที่จะมาถวายด้วยตนเองนั่นเองซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นส่วนส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียสละที่เราทําด้วยข้าของเงินทองของเราไม่ต้องกัวงวลถ้าฝากเขาทำแล้วเขาทาให้กับเรานี่เราก็ได้แทนที่เท่ากัเรามาทําเอง คือเงนที่เราเสียสลับไปนี้เราจะได้เท่ากันไม่ว่าเราจะทําเองก็ไม่ได้ทำเองส่วนที่เราจะได้เพิ่มถ้าเรามาทําเองก็คือได้ความเพียรได้ความพยายามที่อุตส่าห์เดินทาง ม, มาเดินทาง ม, มาตื่นแต่เช้าจะได้ความเพียรในรูปแบบนี้เป็นเป็นอีกอันหนึง่งแต่ถ้าเราให้เขาทาให้เราเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้ไปทังคุณน้อยครับคําถามราคะโลภะโทสะโมหะ กระผมปฏิบัติแล้วละได้แต่จะละขาดพระอาจารย์ละขาดได้ไหมครับและมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับก็เราคอยสังเกตเห็นเถอะว่าเราละแล้วมันจะกลับคื้นมาหรือเปล่าโุพรวันนี้เราไม่โลภแล้วพรุ่งนี้มันจะโลภหรือเปล่าวันนี้เราไม่โกรธพรุ่งนี้เรามันจะโกรธหรือเปล่าแล้วก็ต้องคอยเฝ้าดูไปเรื่อยๆครับเพราะคราวนี้เราก็ไม่รู้แน่ว่ามันเราละได้ได้จริงหรือไม่นะโมพระ โดยเฉพาะแบบง่ายมันก็มีแบบยากก็มีด้วยถ้าเป็นของที่เราลัเราชอบเนี่ยก็ละยากเลยอแต่ถ้าเป็นของที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ละได้หน่อยขายยาไปก็เอาไปหรือของที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้อยู่แล้วเราก็ไม่โลภแต่ถ้าของที่เราอยากได้ขึ้นมาเนี่ยเราเราจะละความโลภได้ต่ถ้าเรามีโอกาสจะได้แล้วเราไม่เอาไม่อยากได้ ตอนนี้ก็มีพออยู่พอกินแล้วเช่นเงินท่ า, ท า, า อ, อย่างเงี้ยละความโลภอยากได้เงินท่าได้หรือเปล่านัน ม, มีหลายเรื่องหลายอย่างในการที่เราจะต้องคอยสังเกตอยู่ฐานตัวเองคุณอาทิชาครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องทําบุญตักบาตรกับถวายสังฆทานพัตนาหารมีอันิี่ส่งเหมือนกันไหมคะและถวายกับพระที่ปฏิบัติดีพระสงฆ์ทั่วไปที่เราไม่รู้จักอันที่ส่เหมือนกันไหมคะมี่คล้ายๆเดิมไหมครับ ก็การตัดบาตร ก, กับการถวายพระทหารก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าการถายพระทหารตัดบาตรที่พระท่านมาทิ้งถึงหน้าบ้านเราเลยลก็สะดวกเวลาาจะได้บางที่เราไม่มีเวลาไปวัดไปถวายพาาระตาที่วัดเรามีภาพอภินันบาลเราก็ได้ทำนุนได้ถวายอาหารกับท่านเลยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยตรงที่หน้าบ้านเราเลยเราก็จะได้ไม่ต้องไปวัดแต่ถ้าเกิดวัด น, นั้นไม่มีการบิณับาล เ่าจะถวายพระตาหารทั้งวันวัดบางทีเราก็อาจจะทํามากไม่ทํามากว่ามันไม่สะดวกวาเราต้องทํามาหากินหนต่อยอาจจะไปได้ในวันพระวันเดียวแต่ถ้ามีผ้ามาบินตบาด ท, ทุกวันนี้เราก็สามารถถวายพระตาหารให้กับเราได้ทุกวั น, อ, น, นอันนี้สอก็เหมือนกันมากน้อยอยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยให้มากให้น้อยให้มากก็จะได้อันนี้สอ ม, มากให้น้อยก็จะได้อันนี้สองน้ ก่อนทำกับพระปฏิบัติดีกับพอะสองทั่วไปนี้เราก็อย่ยงที่ได้เล่าเมืองเบื้องต้นแล้วว่าอันนี้อยู่ที่ว่าเราได้ได้ฟังทำได้ฟังคําพูดของท่านคําสอนของท่านเรืออ่องอสอนถ้าเป็นพระปฏิบัติดีท่านมีธรรมะความรู้ว่าทำกับพระที่ไม่มีความรู้ก็ท่ า, ทานก็จะให้ความรู้รเราต่างกันไปครับอันนี้ไม่เหมือนกันคุณนัชชาครับ สวดมนต์ทุกคืนค่ะแต่สวดพร้อมใน youtube จะได้ไหมบุญไหมคะได้จะได้บุญมาก น, น้อยอยู่ที่ได้จิตเราสงบมากสงบน้อยการสวดนี้จะใช้สงบก็ต้องมีสติอยู่การสวดเป็นอย่างเดียวไม่สวดไปคิดถึงเรื่องนี้เร น, น, นี้ไปด้วยถ้ า, า, า ย, ยินใจจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรแตถ้าเราจบจอยอยู่ในการสวดอย่างเดียวจะรู้สึกว่าจิตเราเย็นสบายขึ้นจะมีความ ร, รู้สึกที่มาสัจใจเกิดขึ้น คุณแคปครับอยากสอบถามพระอาจารย์พระอาหารหันต์ฝันได้หรือไม่ครับฝันได้หรือไม่ก็น่าจะฝันได้เพราะมันก็เป็นเวลานอนหลับสติท่านก็ไม่มีอยู่ดีพอ ค, คิดปรุงแต่งก็สามารถคิดปรุงแต่ก็ได้แต่จะฝันเรื่องดีมันจะไม่ฝันเรื่องร้ายเพราะท่านมีบุจิตวิญญาณท่านคิดแต่เรื่องกุศลตลอดเวลาในเวล า, นานหลับท่านก็จะฝันเรื่องที่เป็นกุศลต่างกับจิตที่มีอกุศล เวลานอนหลักก็อาจจะนอนได้คุณสมพรมครับนัว ก, การพระอาจารย์เจ้าขากราบเรียนถามคนที่ต่างศาสนาเวลาตายเขาจะได้ไปตามแรงบุญแรงกรรมเหมือนดังพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้รับผลเหมือนกันหรือไม่เจ้าคะเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่านำเถิดศาสนาอะไรทั้งสิน้นคนแห่งกรรมนี่มันครอบคองมันมั น, ม, นมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของทุกคน มันจะทําให้จิตใจสุขใจทุกทำให้จิตใจเป็นสวรรค์หรือเป็ น, เ ป, นเป็นอบายมันไม่ได้เป็นสถานที่ในะเวลาที่เวลาที่ร่างกายตายแล้วจิตออกจากร่างไปเนี้ยจิตก็จะเป็นจิตที่มีสุขไม่มีทุกข์จิตที่มีสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์จิตที่มีทุกข์แลก็เรียกว่าอบายคุณสมพรครับ ในการดําเนินชีวิตประจาําวันมีทั้งสุขและทุกข์ปนปนรุมดวงกันไปบางวันไม่ทุกข์บางวันใจโปรง่งใจเบาบางวันมีความทุกข์จางๆปนปนสมกันบางวันทุกน้อยใจสบายสบายใจโยมควรใช้ธรรมะข้อใดเพื่อมาเข้าใจความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติสุขทุกข์ส่วนนี้น้องกระสาทูครับเ็พระเจ้าบอกว่าทั้งสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันไม่เที่ยงคะาสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วก็มี มีสิ่อย่างมีความความสุขหรือความทุกข์ขึ้นมาสลับกันไปใช่ไหมนี่คือมืนกับดินฟ้ากันมันไม่ฝนมันฝนไม่ตบทุกวันมันไม่รอนทุกวันมันก็มปนสลับกันไปเดี๋ยวร้อนมาเดี๋ยวหนาวมากเดี๋ยวฝนตกมากเดี๋ยวแรงมากทุกสิ่งทุกอย่างในรอกที่เป็นอย่างนี้ทัางมวลให้เข้าใจอย่นี้แล้วเราจะได้ไม่ไปยึดติดเราจะต้องสุขทุกวัน ต้องบอกว่าวันนี้สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทุกข์หน้เย็นนี่อาจจะสุขอารจะกลายเป็นาทุกข์ก็ได้เราต้องรู้จักวิธีรับกักมันให้ได้วิธีรังกับมันก็เฉยเฉยไปอุเบกขาใช้อุเบกขาก็จะนับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่มีความทุกข์ใจคาับคุณนวพรครับตัวเราเตรียมอาหารใส่บาตรพระแต่ตัวเราไม่ได้เป็นคนใส่บาตรพระให้คนในครอบครัวเป็นคนไปตักป่าตัวเราได้บุญไหมคะ ก็ขึ้นอยู่ว่าของที่เราใส่บาตนี่เป็นของใครถ้าเป็นของครอบครัวทุกคนก็ได้ส่วนส่วนที่ได้พิเศษก็คือถ้าเราเตรียมอาหารเราก็จะได้ส่วนนั้นไปส่วนคนที่เขาไปใส่บายรเขาก็จะได้ส่วนนั้นไปก็ละส่วนกันแต่เรื่องของอาหารถ้าเป็นของทั้งของคนทั้งครอบครัวคนทั้งครอบครัวก็ได้ทุกคนคุณสังวรครับการนิมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอถามว่าถือศีลแปดมันพระผิดหนึ่งข้อจะผิดทุกข้อหรือเปล่าคะได้หรอกไม่ผิดทุกข้อได้ไงเช่นเราไปพูดบ่นแล้วจะทําให้เราไปผิดข้อลักทรัได้หรไม่ได้กัเราเรื่องกันอันนี้ไม่ทราบว่าใครใครใครก็ไม่ทราบเข้าใจผิดคิดว่าถ้าผิดข้อหนึ่งแล้วจะทําให้ผิดทุกข้อไม่ผิดทุกข้อเพียงแต่ว่ามันทําให้ศีลไม่ครบเท่านั้นเองนะถ้าจะได้แปดข้อก็ได้แค่เจ็ดข้อ คุณดวงตาครับนำอาหารใส่บาตรเสร็จแล้วเราสามารถอุทิศบุญในขณะที่พระกําลังให้พรได้ไหมคะนั่นปกติเวลาพระให้พรเนี่ยเราเราฟังก่อนรับพรไห้ก่อนพอเสร็จแล้วท่านไปแล้วเราก็เราก็อุทิศบุญได้ต่อไปหรือถ้าทํานให้พรเลยก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการให้พรหลืไม่ให้พรให้พรที่เป็นการให้กําลังใจหรือเป็นการแสดงความขอบคุณของพระที่ยาดเยียมในความเมตตา ออพระแต่เรื่งการอุทิศบนนี้เราทินภายในใจได้หลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วแต่ก็ต้องดูว่ากราะะเทศซสต์น่นเป็นช่วงที่ท่านให้พอามกังวลอยฟังก่อนพอรพอรับเสร็จแล้วเราก็ค่อย อ, อุทิศไปคุณพัทรพรครับเรียนถามผู้อาวาุโสค่ะลูกชายเป็นหมอถ้าสั่งยาเพื่อถ่ายพยาธิหรือกําจัดเหาถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่คะตอนนี้ลูกชายไม่สบายใจในอาชีพคะ่ะ ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าคิดว่าปัญญาหรือเหานี่มันเป็นสิ่งที่ถ้ามันไม่มีอายะตนะนี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเพราะวิญญาณจะต้องมีอายะต้องมีอายะตนะมาถึงไปเกี่ยวพวิญญาณนี่ต้องการเสีรูปเสียงกิริย์ก็ต้องมีอายตนะคือตาจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าไม่มีอายตนะครบห้านี่แค่ที่ว่าคงจะไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณก็มันก็ถือว่าเป็นต้นไม้ปัญญาต้นต้นไม้ต้นยา ถึงแม้จะมีชีวิตแต่ไม่มีวิญ ญ, ญาตก็ถไม่ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อย่างใดไม่ผิดศีลข้อไห น, นคุณอดุลครับกลาวนมัสการพระอาจารย์ครับการทําบุญกระถินโดยถวายเป็นเครื่องอัฐ บ, บริฐานแปดจะได้บุญอย่างไรครับและได้บุญมากไหมครับก็อย่างที่บอกการบุญทําบุญที่เป็นการเสียสะละไม่ว่าจะถวายอะไรก็ได้ครับถวายเงินถวายข้าวของถวายเครื่องใช้แม่สาย อะไรต่างๆนี้เียก็เป็นการทาบุญอันที่สองก็คือทำให้ต่อสุขใจอีกใจแล้วก็มีมีบุญสะสมไว้เวลาตายไปล้วก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขไม่หิวโหวยไม่ต้องไปอยู่ในอบายอยู่ในสวรรค์แทน คุณมนชัยครับถ้าเราบำเพ็ญเพียรกาหนดจิตรู้ตลอดและนั่งสมาธิทุกวันยิ่งเราเพียรมากๆเท่าไหร่เพื่อจะปล่อยวางได้กับทุกเรื่องทางธรรมก็ดีขึ้นตามลำดับแต่มีอยู่ว่าทางโลกนั้นเหมือนโดนปิดกั้นติดขัดทางการงานไม่แน่ใจว่าอันนี้ที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งเจอมะพระมารผจญหรือเปล่าครับกับเรียนถามครับคือการปฏิบัติก็เพื่อปล่อยทางโลกไม่ใช่ปล่อยทางธรรมทางธรรมไม่มีอะไรต้องปล่อย ที่เราต้องปล่อยก็คือราดยุทสะก็เสริอมสุขที่เราสวงหาแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อละสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง ม, มันทําให้ใจเราทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปดังนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางสิ่งของนี้แต่ไม่ได้ปล่อยวางทำนึ่งทำทำแล้วไม่ปล่อยทําเป็นเครื่องมือเราต้องสร้างทำขึ้นมาคือสักทานสิงวนาสติสมาธิปัญญา เป็นธรรมที่เราไม่ปล่อยเป็นธรรมที่เราต้องมีก็ที่เราจะได้ปล่อยวางเรื่องทางโลกให้หมดไปหรือราบยุติสารสันสนเมื่อเรามีธรรมแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าจะมีบางมรรนจนุใดอย่างไรเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของของทางโลกทางโลกมันมีความไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ถือว่าเป็นมากแต่ คุณี v c ครับกาบเป็นถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าในรูปภาพและในภาพยนต์ต่างๆพระพุทธเจ้าที่ทรงผนวดไว้ผมยาวตลอดไม่เคยเห็นปลงผมเลยจริงๆแล้วพระองค์ไว้ผมยาวขนาดผนวดจริงหรือไม่เจ้าคะถ้าจริงเพราะเหตุใดเจ้าคะในจริงแล้วเพราะท่านสอนให้ภาพก่อนถ้อทุกลูกก่อนแล้วตัวท่านไม่ก่อนได้เลยสิ่งแใวที่พระเจ้าบอกให้คนอื่นทําสิ่งนั้นพระเจ้าทํามาก่อนแล้วครับแต่ในทางศิละปะ การแสดงนี่เขาก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าออกมาหลอกเราดูแล้วสวยงามก็เลยไม่ยอมโกนศีรษะของท่านนั่นเองก็เลยปล่อยเก็บผมไว้อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างภาพประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับจริงตามเป็นจริงเราเชื่อได้ร้อยเปอร์เ็นาพุทธเจ้าต้องต้องโกนศีรษะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ท่านสอนให้ภาคบกทำเนื่วถ้าท่านสอนแล้วตัวท่านไม่ทําำจะเป็นได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ พุทเจ้าเคยตรัสแล้วสิ่งที่เราสอนให้พวกเธอทาเราทําเราทำหมดนะทุกอย่างให้รักษาสิแลแเราก็รักษาให้พาวนาเราก็ภอวนาให้ตัดความโลภความโกรธความหลงแล้ก็ตัดแลก็จะมาขวงผมได้ไว้ทําไมเป็นไปไม่ได้คนระับคุณสุธีรัตน์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ผมอยากได้รับคํายืนยันจากพระอาจารย์ว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วไม่ศูนย์ครับ บุญเป็นที <được. S 1> <devil. S 2> ่พ like ึ ability, ่งได้จริงๆไหมครับอยากให้พระอาจารย์การันตีให้หน่อยครับจากการปฏิบัติจนเห็นแจ้งของพระอาจารย์พอดีตอนนี้ผมเคลือบแคลงสงสัยครับขอพระคุณพระอาจารย์ครับก็อย่างที่บอกว่าร่างกายหรือชีวิตขรานี้มีสองส่วนคือกายอยากคือร่างกายที่เราเห็นแล้วกายละเอียดคือใจตัวที่ตายที่สูญฉลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็คือร่างกายแต่ตัวที่ไม่สูญฉลายก็คือ กาชีพหรือกายละเอียดที่เรียกว่าเรียกว่าจิตใจเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่ร่างการนี้ต่างยัปตัวนี้ไม่สูญตันนี้อยู่แล้วรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าบุญก็จะไ ด, ได้ได้ได้เป็นเทวดาได้เป็นอะไรไปถ้าบาปก็จะได้เป็นเป็เ ป, เ, ปเป็นผีเป็นสัตว์นรกไปอันนี้ไม่สูญอันนี้ต้องต้องเป็นอย่างแน่นเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีวันตายไม่มีวันสูญ แต่เป็นธรรมชาติที่น้อมรับผลบุญผลบาปที่ตนเองได้ทำไว้คุณวรพัทน์ครับการนักสกการพระอาจารย์ครับทําไมเมื่อจิตสงบความกลัวทุกอย่างลดลงอย่างมากมีความเมตตามากขึ้นการฟังธรรมโดยเฉพาะภาพปฏิบัติที่มีความละเอียดลึกซึ้งจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าเราใช้การกระเพิ่มของจิตเป็นเครื่องมือในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีควรไม่ควรได้ไหมครับและพระอาจารย์เรียกได้ว่ามีหลักใจได้หรือยังครับ แล้วพอจพอพับเขาไปครนบพอจับคือเวลาจิตสงบนี้จิตมันก็ไม่ปรุงแต่งความกลัวนี่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งใจนะพอใจหยุดคิดปรุงแต่งความกลัวมันก็หายไปความคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นเหมือนกับเครื่องฉายภาพยนตร์เะเครื่องฉายภาพยนต์ทํางานมันก็จะมันก็จะสร้างภาพให้เราดูกันแต่พอเครื่องฉายภาพนยนตร์หยุดหยุดฉายต้อจอมันจะว่างทันทีจอภาพยนตรก็จะว่าง ใจเราก็เป็นเหมือนเจอภาพประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องให้เรากลัวเราลัทเราชังถ้าเราปล่อยให้มันคิดตุดแตกไปพอเราหยุดความคิดตุดแต่งด้วยด้วยการทําใจให้สงบปั๊บนี่ความกลัวต่างๆก็จะหายไปเพราะภาพหรือตัณฑ์ที่ปรากฏขึ้นมาปัญหาเนี่ยเนื่องจากความว่านี่คือผลนี่เกิดจากการทําใจให้สงบแล้วก็ยังทาให้ให้ความกลัวหายไปอารมณต่างๆห้ยไ ป, ยไปคือลัทชังกลัวหอก เวลาจิตสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่สงบเต็มที่สามารถคิดได้เวลาฟังธรรมก็จะทําทให้ฟังแล้เข้าใจได้ง่ายเข้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมามากปกปิดธรรมะที่เรากำลังฟังอยู่เลยแต่ถ้าใจเราไม่สงบใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้เวลาฟังธรรมไปก็ฟังไม่เข้าใจเพราะฟังสองเรื่องเสียงธรรมก็เข้ามาทางนี้ความคิดของเราก็าไปคิดอีกเรื่องนึง ถ้าเราให้ความสําคัญอยู่กับความคิดเราก็จะไม่รู้ว่าเราฟังอะไรใ น, นเวลาฟังธรรมใจเราต้องนิ่งไม่ไปคิดถูแล้วเราก็จะได้ฟังได้ได้ได้อย่างเข้าใจบรรู้ทําได้เพราะใจเราฟังเต็มที่รับธรรมะเข้ามาแห่างเต็มที่เต็มรอยนั่นเองอันนี้ก็เป็นเป็นการเป็นการฟังธรรมส่วนเรื่องการาเพิ่มมุ่งจิต ถาราใช้การกระเพื่อมของจิตเป็นเครื่องมือในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีไปคนไม่ก็อาจจะถ้าใช้เป็นก็ใช i mean, ok? right right ้ได้เพราะการกระเพื่มของจิตนี่เป็นทุกข์ถ้าจิตกระเพื่มมาแสดงว่าทุกข์ถ้าจิตไม่กระเพื่มมาแสดงว่าเป็นสุขจิตนิ่งก็เป็นสุขอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงขั้นถึงขั้นที่เราเข้าถึงตัวจิตได้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวจิตเวลาจิตกระเพื่มไปทางโรโกวดมองนี่มัน จิตจะร้อนขึ้นมาแล้วจิตมันนับความกระเพื่อมได้จิตก็จะเย็นจะสบายขึ้นก็จะสามารถแยกแยะความผิดถูกหรือช่วได้ตรงนี้คุณจารึกครับทําไม่ดีกับแม่สามีบาปไหมคะต้องตกนรกหรือเปล่าคะก็ทําไม่ดีกับใครก็ บ, บาปา น, นาะเพจ่าบากมากบาปน้อยทำหน้านทําร้อยทําบ่อยทําแม่บ่อยก็อยู่ปไปมา อย่าไปทําไม่ดีกับใครทําแต่ความดีดีกว่าแล้วจะมีความสุขใจได้บ้างทำไม่ดีแล้วก็จะได้บาปไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามจะตกนงกหรือไมกก่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทาไม่ดีส่วนใหญ่นี้จะตกนรกนี้ต้องมากจะเป็นเรื่องการฆ่าสรตว์ชีิตเป็นหลักด้วยความปวรเกลียดาฆาตพยาบาทด้วย คุณอาทิชาครับพระอาจารย์คะถ้าเรามีการโอกาสทําบุญแล้วเราอยากให้พ่อแม่ทําบุญด้วยหนูจึงโทรไปบอกพ่อว่าหนูจะให้เงินพ่อเท่านี้เพื่อที่หนูจะเอาเงินนั้นมาถวายสังฆทานโดยที่พ่อก็มีความยินดีในบุญพ่อจะได้บุญไหม่คะไม่ได้หรอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินของพ่อไม่ได้เป็นความคิดของพ่อไม่มันต้องเป็นการทำเลของพ่อเช่นเราบอกพ่อว่าพ่อพรุ่งนี้หนูจะไปทําบุญที่วัดนะแล้วพ่อมาเออดีเดี๋ยวฝากไปทําบุญด้วยอย่างเงี้ย เอาเงินของพ่อโอนไปให้เนีพ่อก็จะได้แต่ท่านหนูจัดการทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องของหนูจัดฉากให้กับพ่อท่านเองพ่อไม่ได้ไม่ทุ่มเท อ, อะไรเลยไม่ได้ออกมาจากจิตใจของพ่อเลยพ่อก็ตกกระไดพอยจนไม่ได้เออดีเนื้อดีใจด้วยอะไรแต่พ่อไม่ได้เสียสละแม้แต่บาทเดียวจะได้บุญได้อย่างไรบุญจะเกิดขึ้นจากการเสียสละของของของตนเองถ้าคนอื่นเสียสละให้จะไม่ได้บุญ เแม้เราสอนลูกให้ทําบุญเช่นเราให้เวลาเราทำบุญเราพาลูกไปใส่บาตกับเราให้ลูกหยิบข้าวหยิบของลูกยังไม่ได้บุญนะเพราะมันไม่ได้เป็นขอ ง, ของเขาแต่เป็นการฝึกนิสยัยให้เขารู้จักการทําบุญว่าทำอย่างไรเป็นก่อเพื่อเวลาเขาโตขึ้นพอเขามีเงินทองของเขาเองแล้วเขาอยากจะทําบุญเขาก็จะเขาจะได้รู้จักวิธีทําตอนนั้นน่ะเขาถึงจะได้เขาจะมีความรู้สึกอี่ใจสนใจขึ้นมา แต่ที่เอาของพ่อแม่ใส่ไปจริงๆก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วพ่อแม่ให้ใสก็ใสไปนอกจากว่าเด็กบางคนที่เป็นเด็กที่โตทางจิตใจอยากจะทําบุญก็ร่วมกับพ่อแม่เอาเงินที่พ่อแม่ให้มาเนี้ที่ให้ไปซื้อขนมเนี่ยเงินก้อนนี้ผมจะขอทําบุญด้วยก็มีเด็กบางคนทางอันนี้ก็จะเป็นบุญของเขาเขาก็จะได้บุเป็นการของเขาแม่ชีนภัดครับ อวิชากับอนุสัยกิเลสแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะอวิชาก็คือความไม่มีปัญญาในอริยสัจสีในทายลักษณ์ในเรียกว่าอวิชาสนอ น, อนุสัยก็คือกิเลสที่ฝังล เ, เป็นในิสัยใ น, ในใจเรานะคำถามนี้ไม่จบนะครับอาจารย์ครับการที่คนเราพอใจในความสําเร็จของเราโดยที่ในสายตาคนอื่นเท่ากับ การพัฒนาของเราอยู่ที่เดิมคือเสมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากจะเทียบกับความก้าวหน้าเหมือนคนอื่นๆแต่โยมมีความสุขเรียบร้อยมีความพอใจในตัวเองเรียบร้อยเท่ากับโยมมีความพอใจเป็นตัวตั้งเรียบร้อยเท่ากับโยมมีความสําเร็จแต่เป็นแบบฉบับของตัวเองอาจไม่เหมือนความสําเร็จของคนอื่นที่จับต้องเห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะทางฐานะต่างๆแต่ในส่วนของโยมความสำเร็จคือความสุขความสุขคือความสําเร็จเป็นความสําเร็จที่มาจากความพอใจมาจากข้างใน มันก็แล้แต่แต่เราจะมองกันนะถ้าคุณจะมองแบบนั้นก็ก็ได้แต่เขาอาจจะคนในข้าจะมองมองคุณว่าไม่สํำเนียงก็ได้แต่บางคนนี่บางคนเขาก็มองว่าเรามาบวชเราเสีเวลาไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้ไม่ได้ยืนไม่ได้ตําแหน่งอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาว่าเขาเ ข, าข้าใจว่าเป็นพระระมาเขาต้องเป็นเจ้าวาดจะเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าอำเภอหรือเจ้าอะไรก็ว่าไปพองไม่ได้อะไรคิดว่าบวชมนไม่ได้เลย โดยเฉพาะร้นนี้แม้แต่นักทำตีก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนักทำตีนักทำโทนักทำเอกก็ไม่ได้บาหลีก็ไม่ได้เปร์เลียนหนึ่งปเปอเลียนสองก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันก็เป็นเรื่องของคนที่เขามองเราจากภายนอกเขาไม่รู้ว่าภายในเราได้อะไรเท่านั้นเองแต่เรารู้เราก็ไม่เดือดนระ้อนเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ที่เป็นตัวเนื้อเป็นหนังเป็นตัวที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจ แต่ส่วนที่คนไหนก็อยากให้เราได้นเนี่ยรากลับไปเห็นว่ามันเป็นภาระเป็นทุกข์กับเรามากกว่าเราก็ไม่อยากได้ดังนั้นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนทัศนะคติของแต่ละคนว่าเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญ คุณเบกกี้ครับจริงหรือไม่เจ้าค้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมภาวนารักษาศีลมักจะอธิษฐานจิตสิ่งใดก็ตามมักจะประสบผลสําเร็จตามนั้นน้องกลับสาธุพระอาจารย์ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเหตุที่จะาให้เราได้ผลที่เก็จากการปฏิบัติส่วนเราถ้าเราไปอธิษฐานในสิ่งที่นอกจากเหตุจะให้กับเรามันก็ไม่ได้เช่น ปฏิบัติธรรมะอธิษฐานเราขอให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ไหไม่ได้เนี่ยอธิษฐานปฏิบัติมันก็เพื่อให้จิตเราสงบเพื่อเราดับความทุกข์ต่างอันนี้เราได้แต่ถ้าไปขออย่างเดียเป็นนายกไม่ได้เราไปปฏิบัติธรรมแล้วขอเป็นนายกด้วยขอให้ได้โ น, นเรื่องผู้ว่าเราจะได้รับเรื่อ ง, อ ง, องไม่ได้ไม่มีมันไม่คนละเรื่องกันคุณภารัตครับการวัสดการพระอาจารย์ครับ ผมอยากถามว่าการรักษาจิตให้แน่แน่มุ่งมั่นทำความดีมีส่วนช่วยเสริมบุญบรารมีหรือไม่อย่างไรครับการรักษาจิตให้แน่แน่ก็ต้องรักษาด้สตินี่ก็เป็นการส ร, าร้าง บ, ร า, า, บ, รบารมีเพื่อได้ผูอเบาบารมีคุณไพบูร์ครับการนรรมสารพระอาจารย์ครับผมเอาธรรมะของพระอาจารย์ไปปฏิบัติที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าได้ผลดีมากครับ ผมถือศีลห้าแต่มีปัญหาที่หยุดตัวเองไม่ค่อยได้คือสุราครับมันทาให้ผมขาดสติผมขอข้านแนะนำด้วยครับก็พยายามอย่าอยู่ใกล้สุราพยายามอย่าให้มีสราอยู่ในบ้านแล้วก็อย่าอยู่ใกล้คนที่ดื่มสุราเช่นไปอยู่วัดได้มันจะทำให้การเลิกสุราง่ายๆแต่ถ้าเราอยู่ใกล้สุราอยู่ใกล้กับี่ดื่มสุรา มีคนมาชวนมาให้ดื่มงี้บางทีมันก็จะทําให้เราจิตใจเรายังอ่อนยังฝืนไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องหาอุบายช่วยในการเลิกสุราหรืออย่างน้อยก็เวลาจะเดื่มสุราแครั้งมัญยากต้องเดินไปซื้อข้างนอกบ้านอะไรอย่างนี้ดีเ่าซื้อมาเก็บไว้แล้วตอนนี้อยากจะเดื่มเ่อไหรก็คว้ามัาดื่มได้เลยอันนี้ก็เป็นอุบายที่เราต้องต้องเลกพยายามนะ ทำตัวเราให้แยกออกจากชุลาให้อยู่กัไกลๆจากเราหรือถ้าเรามีความเข้มแข็งทุกครันที่เราจะเด็สเดสุราเอายกโคชุลามาแล้ว เ, เปิดแล้วก็เทท <laughs> ิ้งไปไม่ต้องไหนเดี๋ยวมันก็จะถูกมันก็จะถูกเททิ้งด้วยกันการปัสสาวะอยู่ดีด้วยก็เอาชุลาที่เราเป็ น, นทันที่ยาเข้าผ่านร่างกายแล้วก็เทลงไปในช่วงเลยต่อหน้าเราไลเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นเยี่ยวอยู่ดีแล้วมันมาเข้าร่างกายครูทําไม ร่างกายโก้ก็ทำให้ร่างกายโก้ไม่สบายทําให้โก้เสียสติต้องดัดมันอย่างเงี้นเราทำอย่างเี้ยดูสักสองดักข้ล่ามันก็จะไม่มันก็จะเลิกเดือบชุลาได้การที่จะเลิกชุราก็เทมเปิดชุลาแล้วก็เทมันลงไปในในถ่อซ่วมเลยเดี๋ยววัต้องมาฉี่อยู่ดีใช่ไหมเรื่องอะไรที่มันมาผ่านร่างกายมาทําลายร่างกายแล้วมาทําให้จิตใจไม่มีสติการที่เราจะปฏิบัติทําแต่ขั้นนี้มันต้องมีอุบาย เราคิดคหามาตร ก, การแก้แก้รับกิเลสถ้าทําเป็นซื่อๆเป็นเทนตรงนี้ไม่มีวันที่จะชนะมันได้ครับ อ, อย่างน้นงนนองตามาบโมถ้าบอกท่านปวดใหม่ๆนี่ท่านยังชอบกินอยากกินอยู่เพราะท่านบอกว่านั่งบาตเสร็จเช่นจะไม่ท่านห้างแล้วอยากกินอีกล่ะท่าเราไมอยากกินแบบนี้ท่านทั้งเทศก็ิีเหินร่างกายมันไม่หิวแล้วแต่ใจมันอยากเราควจะให้ทูกินสามวัน เรามีมาตรการตัดมันแล้วมาต่อไปพอพอกลับมากินมันไม่กล้าอยากเลยพราอยากปั๊บเดี๋ยวจะโดนลงโทษไม่ให้กินอีกสามมันนี่คืออุบายในการที่เราจะสู้กับกิเลได้เราต้องมีมาตรการเด็ดๆการจอามาตรการแบบธรรมดาพื้นๆมัชฌิมาทานสายการไม่มีวันเอะเดี๋เดี๋ยมันชอบพวกมัชฌิมาแบบนี้คือทออําะันแล้วอย่าไปกระเทือนกิเลสมึงกิเลสมันชอบ คุณอีฟครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าบา ร, รมีสามารถเต็มได้ไหมครับได้ถ้าทำไปเรื่ อ, ๆอยๆมันก็เต็มร้อยพอได้บา ร, รมีสิทเต็มร้อยก็ได้ปัจนัยผานทันทีถ้ายังไม่เต็มร้อยก็จะได้ขั้นต่างๆก่นได้ขั้นโสดาบันไปขอดัชกิดาค่าไปไปจนในที่สุดเมื่อได้ปัญญาบา ร, รมีเต็มร้อยมันก็จะได้นิพพาน ปัญญานี่เป็นตัวสุดท้ายมีคุณนัทชัยบอกว่ากับน้ำส ก, การพระอาจารย์วันนี้ได้ไปกราบพระอาจารย์เป็นครั้งแรกมีความสุขที่สุดครับคุณเดอมัลติเวอร์ซ u n ยูนิตี้ฝากคำถามครับถ้าทุกคนมีความเมตตาบัมีเมตตาบา ร, รมีแล้วศีลบา ร, รมียังต้องมีไหมครับศีลบารมีมันก็จะตามมาเพราะมัม่เรามีความเมตตาเราก็จะไม่ไม่อยากเฉลี่ยเบี่ทู้ เราก็ไม่อยากฆ่าไม่อยากรักทรัพย์ไม่อยากมาพูดผิดอไปดีมันก็จะตามมาแต่ก็ต้องคอยดูตอนที่นี้แต่มันยังมีไม่มากพอสินมันก็ยังไม่ตามมาก็ได้ก็ต้องก็ต้องบังคับด้วยการรักษาสิขึ้นมา คุณอ้อมยูโรครับกบราบธรรมสการครับอยากทราบว่าการปฏิบัติอาณาปานาสติเราต้องเรียนรู้ทั้งสิบหกขั้นตามพระสูตรไหมครับหรือปฏิบัติแบบที่เคยทําดูลมหายใจไปเรื่อยๆเฉยๆได้ครับเพราะเคยศึกษาแล้วเข้าใจได้ยากครับไม่ต้องหลักให้ดูลมเพียใจเด็กเขาบอเหมือนกับการขับรถนี่เราไม่ต้องไปดูว่าตอนนี้รถวิ่งกี่รอบความเร็วเท่าไหร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่ความน้อนเท่าไหร่ไม่ต้องไปดูสิ่งที่เราต้องดูก็คือ การขับรถของเรานะว่าเราจับพวงมาลัยเหยียบคันเร่งให้มันวิ่งอยู่ในท่างถนนได้ไหรือเป่าแล้วล้มมันก็จะพาเราไปสิงจุดหมายปลายทางได้ความรู้อย่างหนึ่งเป็นความรู้รพี่ที่ไม่จํำเป็นต้องรู้แต่รู้ไว้ก็เป็นการเป็นการเข้าใจ น, นั่นเองว่าเป็นอย่างไรแล้วเราปฏิบัติจริงๆแล้วให้มีสตริรู้อยู่กับระบายใจอย่างเดียวเหมือนกับต้องการขับรถนี่ก็ให้รู้ว่าเราสตารทล้ได้ไหรือเปล่า พลังรนได้ออกร้อนได้หรือปล่าวิ่งได้ระอเป่าแค่ น, นี้ก็พอไม่จําเป็นรู้ว่าตอนนี้ความร้อนเท่าไหร่แล้วรอบนี่กี่รอบแนละ้วควาเร็วเท่าไหร่อันนี้ไม่จําเป็นต้องรู้คุณน้องหลินครับกาศทาูตเจ้าค่าสระสารับหนูหน่าจะชนะกิเลสใหม่เจ้าค่ะเพราะว่ากลัวสามีไปเลยค่ะตอนแรกอยากมีสามีหนูชอบฟังดนตรีปัจจุบันรู้สึกเฉยเฉยหันมาฟังทำแทนเจ้าค่ะก็ะเริ่มมีธรรมะและ้วเริ่มชนะกิเลส อ่ากลัวกลจะกลมีสามีใช่ไหมไม่ใช่กัวสามีใช่ไหน่าจะกลัวมีสามีไนเลยถ้ากัวสามีนี่ยังเป็นกิเลสแต่กลัวงานมีสามีเนี่ยเขาเรียกว่าชนะกิเลสหน้ในเรื่องของการอารมณคุณชิชิโร่ครับอยากภาวนามาปีกว่าโยมภาวนามาปีกว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะมีความสั่นสะเทือนบริเวณกลางอกแล้วเหมือนมีก้อนผุดขึ้นแล้วทุก สถานแว็บหนึน่งขอพระอาจารย์เมตตาให้ความรู้เรื่องสภาวะที่เกิดขึ้นแลชี้แนะวิธีแก้ไขด้วยค่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ต้องเปกังวลอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจของเราเวลาที่มันถูกบังคับให้นั่งแล้วมันก็เริ่มสแสดาอการเหล่านี้ขึ้นมาเพราะสติของเราอ า, อาจจะไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยมีกำลังมากมันจิตก็เลยอาจจะมีการสแสดงอาการต่างๆต่างๆขึ้นมาได้ในบางครั้งบางวั ถ้ามันเป็นทรั้งปรากฏชาและเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ไม่ต้อเป็นห่วงแต่ถ้ามันอยู่ได้ก็จะเอามาหนจะแสดงว่าสติเรามีกํำลังน้อยมากน่าจะต้องเปลี่ยนเราต้องอาจจะต้องฝึกเจริญสติให้มากขึ้นไปต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่เรามานั่งเพราะเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเวลาเราดับไปในเวลาเหล่านี้มันจะเริญสติให้มากมาก เมื่อเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้คุมจิตได้จิตจะได้ไม่แสดงอาการต่างๆโผล่ขึ้นมาอะไรไคุณทีเอครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เคยขับรถไปต่างจังหวัดเห็นพระสงฆ์บินธบา์เสร็จแล้วกําลังกลับวัดมีของใส่บาตรหนะักเราควรนิมนต์ท่านขึ้นรถหรือไม่ครับก็ได้ก็ล อ, องถามั่านดูสว่านิมนต์ท่านกลับว่าบังบองท่านก็อาจจะไ ม, ไม่ไม่ไม่ขึ้นรถก็นนแล้วแต่เรา เราก็หน้าที่วองเราคือแชท่านและถามท่านนะิมนต์ครับท่า น, า น, น, น, านแต่ท่านบางทีท่านอาไม่ต้องเราเร า, เราชอบฝึัดของยายากลบากลำบากมันทาให้กิเลสมันตายพราเวลาสบายกิเลสมันเหิก็ได้แต่บาเห็นาท่านทุนทกข์ยากลำบากนไม่ช่ไม่ช่ว่าท่าน ไม่ต้องการนะบางทีท่านต้องการัรบทุกอย่างลำบากเพื่อมาดัดกิเลสานเองก็ได้คุณบางออนครับการรับราชการค่ะท่านถ้านับถือศีลแปดเราไม่แต่งหน้าทาปากแต่ใช้ครีมบํารุงผิวได้ไหมคะถ้าใช้เพื่อเป็นการรักษาร้างกายได้อยู่ถ้าเป็นยานะแต่ถ้าใช้เพื่อเป็นการเสริมสวยไม่ได้เสริมความงามไม่ได้ คุณปานครับลูกทําสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลาทําได้ความสงบและเริ่มติดสุขจากสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาแนะนําวิธีให้จิตฝึกแยกขันและเดินปัญญาให้ได้ด้วยค่ะเวลานั่งสมาธินี้ไม่ไม่ไม่ให้ทํำนิยมปัญญาโดยเด็ดขาดให้จิตสงบนานาให้มีความสุขนานาแต่หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยสามารถเจริญปัญญาได้ด้วยการพิจารณาร่างกายแล้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ว่าร่างกายเกาแล้วต้องแก่ต้องเย็นต้องตา ย, ตอตอตอตายของเรานั้อของทุกคนเหมือนกันหมดเป็นทำมนนาจากเดินน้ำลมไปอันนี้เป็นการเจริญปัญญาทําหน้าในช่วงที่เราไม่ได้ทําสมาธิเพราะว่าการทําสมาธิกับปัญญามันคนานฐานมันขัดกันในเวลาเจริญปัญญาทำใช้ความคิดแนขณะนั่งสมาธิต้องการอยุดความคิดถ้าไม่อยู่ความคิดใจก็จะไม่รื่นไม่เป็นสมาธิ เราต้องเวลาทําอะไรต้องรู้ว่าเราควรทําอะไรถ้าเราต้องการทําใจให้สงบเราก็ต้องไม่คิดอะไรเลยแต่ถ้าเราต้องการความรู้ความฉลาดทางปัญญาเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดแต่ต้องทําในตอนที่เราไม่นั่งสมาธิเช่นตอนเนี้คิดได้าตลอดเลยคุณสมพรครับโยมติดความสุขจากความสงบไม่ค่อยอยากออก เอาตัวเองไปเผชิญกับการผัดสะกับผู้คนมากมายนักยกเว้นในการทํางานที่ต้องคล้องแวะกับผู้คนจึงต้องมีสังคมแต่เสมือนไดใจลึกๆเป็นคนชนิดแบบอินโทรเวิร์ตมีความสุขมากได้มีความผ่อนคลายสุดๆเมื่อได้อยู่กับตัวเองโยมเป็นคนลักษณะอินโทรเวิร์ตมีความสุขจากข้างในมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเองอย่างนี้ถือว่าโยอมปฏิบัติได้เหมาะสมหรือยังครับก็ใช้ได้เนี่ยว่าเราความสุขกอเคยอยู่คภายในใจเราเอง ถ้าเรายังมีกรอบส่เบอที่เราไม่ไปยึดข้างไว้กับผู้อื่นก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่เราก็ต้องสามารถที่จะออกไปเกี่ยวข้องกับคนได้ท่านการาบจักเป็นไม่ทุกกับเวลาที่เราเวลาที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นถ้าทุกก็แสดงว่าก็ไม่ถูกเป็นกินเลยเพราะเกิดจากความอยากไม่เจอคนอันนี้ก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเจอคนเราก็ต้องควบคุมใจควบคุมความอยากไม่เจอคนนีให้ไม่ให้มันถอยมา ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องไปทํา ก, กิจกรรมต่างๆก็ทําไปถ้าไม่ทุกขก็โอเคแต่ถ้ามีทางเลือกได้นองเจอคนกันอยู่คนเดียวแล้วเลือกอยู่คนเดียวอยู่อ่างอันนี้ก็ไม่เสียหายคำถามนี้คล้ายๆเดิมนะครับการเรียนถามว่าจะเจริญปัญญาหลังทํามสมาธิอย่างไรคะแค่นึกคิดเฉยๆหรือคะก็เนื้อคิดเรียศึกษาเรื่อร่างกายเราเนื้อธรรมเจ้า ส, สอนให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับร่า ง, า ง, งกา ว่าเป็นตัวเราหรือไม่หรือเป็นเพียงดินน้ำหนุนไฟเวลาตายไปร่างกายมันกลายเป็นตะไรตัวเราอยู่ตรงไหนเวลาร่างกายตายไปหรือดยุดสอนล่ร่างกายเราเที่ยงไม่เที่ยงจะสวยจะสาวจะหนุ่มจะหล่อไปตลอดตั้งแตหรือทั้งวันหนึ่งก็ต้องกลายเลยเหมือนคุณผูวคุณยาคุณตาคุณยายไปอันนี้เป็นการสอนเพื่อระไรไม่หลงไม่ลืมว่าสักวันหนึ่งร่างกายเรานี้มันจะต้อง ชลาภาพนั่นแหละที่สุดมันต้องเจ็บไขไยให้ปวดแล้วมันก็ต้องตายไปสำนรับเพื่อให้ตายเราเห็นความจริงว่าร่างกายเพื่อจะได้นอ้อมจิตใจรับความจริงถ้าเรามรับความจริงได้ใจเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงใจของเราจะทุกข์มากคุณกอล์ฟครับกราดน้ัสการครับเอาพระเอาไปบรรจุ เจดีเพื่อเผยแผ่เผยแพร่ศาสนาในอนาคตหรือเป็นเจตนาสร้างความหลงครับต้องดูที่อะไรกับนักวิาการครับพระพุทธรูปเผยแผ่ศาสนาไม่ได้หรอกงั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งความธรรมาให้เสียเวลานั่นจำ้ำดูพระพุทธรูปอย่างเดียวแล้วธรรมะมันจะเข้าไปในใจครับคุณเซนครับสมัยนี้มีการทําไสยศาสตร์ทําของกันใส่กันเยอะมาก หากเรามีความมั่นคงในทานศีลภาวนาและพละะลัฒรัตน์ไรเราจะปลอดภัยจากของมืดของดําเหล่านี้ยงเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเพราะของอที่ํามาทํางานเราได้ไม่ใช่ของพวกนี้สิ่งที่ทามาใจเราได้ก็คือบาปเท่านั้นเองบาปครับคุณสมพรครับเราควรสวดมนต์ทาวัดเช้าทําวัดเย็นระหว่างประมาณกี่โมงหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนครับ ขึนอยู่กับความเฉลียความพร้อมของแต่ละคนอีกสักสองคำถามนะครับอาจารย์ครับคุณก้องครับมีคนรู้จักชวนไปแก้ปีชงกับผมไม่ได้ไปแต่ใช้การปฏิบัติสวดมนต์และนั่งสมาธิแทนอย่างนี้กระผมทําถูกแล้วใช่ไหมครับทำถูกแล้วทำตัดกรรมดีไว้ก็แล้วกันยากไปทาบาปเท่า น, นั้นเองผลที่อยู่กับเท่าไหรานี้มันอยู่ที่บาทกับที่เราทำไม่ใช่ปีชงก็ไม่ชง คุณนัทพรครับเราควรยึดถือหลักธรรมใดในการสร้างบา ร, รมีให้มีคนรักและเมตตาเราคะเป็นที่รักของผู้อื่นเราก็ต้องให้ความรับความเมตตาต่อผู้อื่นก่อนนั่นเองวาระที่สองของการมีเมตตาก็คืคอจะทําทให้ผู้อื่นนักรักเคารพเราครับรักและชอบเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตาพยายามสร้างเมตตาเอาเองินมาจากคนด้วยและโดยจะมีคนตามมาทุกวันเลย เราเราจะชอบเราจะคอยป้องกันเราผู้คลองเราถ้าเราแจกเงให้เขาได้ทุกวันมีรับประกันได้มีอารักขาเยอะไปไหนก็จะเป็นอย่างคอยดูคอยป้องกันนี่คือการเราต้องมีเมตตาต่อผู้อื่นก่อนความเมตตานั้นมันก็จะกลับมาให้สิ่งใดไปสิ่งนั้นจะกลับมาให้ให้สุขกันผู้อื่นความสุขก็จะกลับมาให้ทุกข์กับผู้ทุกข์ก็จะกลับมาครับนี่คือกฎแห่งกรรม เป็นบูมแรงเป็นบูมแรงชาวออสเตรียกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมวันนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ฟังธรรมด้วยกันใน Facebook 754คนใน YouTube 568คนในคลับเฮาส22คนครับมีคนฟังธรรมพร้อมๆกันตอนนี้ 1,344 คนครับพรอาจารย์ข้ายินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมหวังว่าผมจะได้รับประโยชน์น จากการทำธรรมนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนาออกไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วรับผลที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามาตา ม, มาตไปมีการแสดงก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจรก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเทสาทุก่อนลาคุณนอกบับท่านผู้ชมพวกฝากไว้เพียงเท่านี้ แล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมเช้าอาทิตน้เดี๋ยวเช้าวันที่สิบสี่ใส่ป่าพระอาจารย์ครับโครงการนี้ไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเวลาใชนไหมครับไม่มีครับอาจารย์ครับอาทิตย์หน้าได้เหมือนเดิมครับแต่วันที่สิบสี่ารสัปดาห์จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปไส่ป่าครับเช้าที่สิบสี่โอเคอาจรย์เชิญขอวยครับด้ลยควาท่านไปเป็นการณ์ในวันเดียวกับนักแสดครับ